วันนี้อาจารย์จะมีอะไรเรื่องเปิดประเด็นไหมคือผมอยากเลยมีกราบเรียนท่านอาจารย์ว่าไอ้เวลาเราพูดถึงตัาหาเนี่ยนะครับคือความพยายามอยากขจิตเนี่ยถ้าเราพูดถึงในเรื่องของธรรมะเนี่ยก็แปลว่าจิตเราเนี่ยมันไปเกาะมันไปเกาะขันขันห้าใช่ไหมครับอือมพอมันไปเกาะขันห้าแล้วเนี่ยมันก็จะ จิตมันที่เราบ่ามันทยานอยาดเนี่ยเพราะว่าเราอยากจะเกาะให้มันเป็นเปอย่างที่เราปรารถนาแต่ความจริงแล้วขันมันเป็นของมันมันไม่ได้มันไม่ได้ตามใจเรามันเป็นไปตามมันเช่นสัญญาของเราเนี่ยเราก็ไปตั้งว่ามันต้องเป็นไปตามที่เราอยากจะให้มันเป็นหรืออย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นสุขอะไรทำนองอย่างนี้ใช่ใช่ไหมครับ่างเวลาเรา เวลาเราจะปฏิบัติเนี่ยเราก็อยากทําลายไอ้ความยึดถือตรงอือก็แปลว่าเวลาท่านสอนให้เรานั่งสมาธิเนี่ยแปลว่าเพื่อว่าให้จิตเน่ยมารู้จักความสงบบ้างพอสงบมันก็ไม่ปรุงออื ม, มันก็เหมือนกับมันก็สอนเราชั่วคราวว่าให้เราหยุดออืเพื่อจะได้ไม่ต้องไปเกาะให้ขันแต่เวลาเราเริ่มเปิดหูเปิดตาเปิดใจเราเนี่ยมันก็ไปเกาะขันไปเกาะขันมันก็ ทันก็สอนให้เราใช้ปัญญาว่าไอ้ขันเนี่ยมันเป็นของมันนะมันไม่ใช่มาเป็นตามใจเรานะอืมอะไรคล้ายๆอย่างนี้ใช่ไหมครับคือผมฟังท่านอธิบายแล้วพยายามรวบรวมดูว่าคือแต่ละขั้นเนี่ยที่ท่านให้ฝึกสมาธิเนี่ยเพื่อทําลายไอ้ความความอะไรนะความยึดความคือคือให้รู้จักสงบเพื่อเพื่อจะได้รู้ว่าเวลาจิตมันไม่ทยานอยากมันมีนะ อคล้ายๆชั่วข่าวแต่พอเราออกมาปุ๊บเราก็ต้องมาเตือนใจเราว่าไอ้ขันที่เรายุดเนี่ยมันมันไม่ตามใจเรานะมันเป็นของมันมันมันไม่ใช่เป็นของเราอันเคล้ายๆอย่างนี้นใช่ไหมท่านอาจารย์ใช่คือตอนนี้เรายุดขันเป็นที่พึ่งเป็นที่ให้ความสุขกับเราแอ่เป็นความสุขที่ไม่แน่นอนบางทีมีบางทีก็ไม่มีบ า, มมบางทีเกิดบางทีก็ดับ เวลามีเวลาเกิดก็ดีใจเวลาไม่มีเวลาดับก็เสียใจความเสียใจเราเกิดจากการที่เราไปยึดติดกับสิ่งที่ไม่แน่นอนพระพุทธเจ้าถึงสอนว่ามีสิ่งที่แน่นอนที่เราสามารถยึดติดพิ่งได้ให้ความสุขกับเราได้ตลอดเวลาก็คือความสงบที่ ได้จากการปล่อยวางไม่ไปยึดติดกับขันต่างๆสิ่งต่างๆในโลกนี้ทั้งขาพอเรานั่งสมาธิทำใจให้สงบใจเราก็มีความสุขขึ้นมาโดยที่ตอนนั้นไม่ต้องมีขันไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขกับเรา อ, อันนี้เป็นปความสุขชั่วข่าวที่ได้จาก การใช้สติเป็นตัวเดินใจให้เข้าสู่ความสงบตแต่กำลังของความอยากของเรามันยังไม่ตายไปจากการใช้วิวววธีการนี้พอเราออกจากสมาธิมาความอยากมันก็โผล่ขึ้นมาให้เราไปเพึ่มขันนีกไปเพึ่มรูปเสียงกลิ่นรสเป็เพึ่มคนนั่นคนนี้สิ่งนั่นสิ่งนี้ ตอนนั้นเราก็ต้องใช้ปัญญามาสอนว่าอย่าไปเลยไปแล้วก็จะต้องเสียใจในภายหลังตอนต้นมันดีไปทํได้ไปได้สิ่งที่เราอยากได้อยากทำมันก็มีความสุขแต่พอสิ่งที่เราอยากทําอยากได้มันหมดไปแล้วตอนนั้นมันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมานี่ก็คือการใช้ปัญญาเตือนใจสอนใจว่า อย่าไปพึ่งขันมันไม่แน่นอนมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราเราไม่สามารถที่จะไปสั่งมันได้ว่ามันจะต้องเป็นของเราไปตลอด เ, อเช่นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองลาบยศสรรเสริญาบางทีมันก็มาบางทีมันก็ไป เ, เวลาไปก็เสียใจเวลามาก็ดีใจกัน อ, อย่าไปพึ่งมันดีกว่าพึ่งความสงบดีกว่า นี่คือเป็นการใช้ปัญญาสอนใจให้หยุดการทัตยานอยากไปหาลาบยศสรรเสริญไปหาความสุขทางตาหูจมูกมืนกายหาความสุขทางร่างกายอันนี้เป็นการสอนใจทุกครั้งที่ใจเกิดความอยากว่าอย่าไปกลับมานั่งสมาธิดีกว่ามาทำใจให้สงบถ้าเราทำใจให้สงบได้แล้วมันก็จะง่ายแล้ว ทุกครั้งที่อยากจะไปหาสิ่งอื่นมาให้ความสุขก็กลับมานั่งสมาธิแทนต่อไปมันก็ความอยากมันก็จะหมดกำลังไปมันก็จะไม่มาดันถักดันให้เราไปหาสิ่งต่างๆอีกต่อไปเพราะทุกครั้งที่เกิดความอยากเราจะเห็นความทุกข์ว่ามันจะต้องทุกข์นะได้ไปได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวมันมันจากเราไปมันก็ทุกข์ นี่แหะคือปัญญาที่จะทําให้ความอยากนี่มันหมดไปแต่สตินี่เพียงแต่กดมันไว้แล้เราพุโทโธพุโทโธพุโทโธดูลมหายใจตอนนั้นความอยากมันทํางานไม่ได้เพราะว่าความอยากมันต้องใช้ความคิดเป็นเครื่องมือนําไปแต่เวลาเราพุโทโธพุโทโธเวลาเราดูลมหายใจนี่เราคิดเรื่องเรื่องต่างๆไม่ได้เพราะเราคิดเรื่องราบยศสันเซิน รูปเสียงกลิดนลดไม่ได้มันก็ไม่มีความอยากในราบยศสารเสริญมันก็สงบตัวลงสงบแล้วก็เกิดความสุขที่เกิดจากความสงบแต่มันเป็นความสุขสงบความสุขชั่วคราวเพราะกาลังสติเราก็มีไม่มากพอที่จะให้มันอยู่ในสมาธิได้ตลอดเวลาและอีกประการหนึ่งร่างกายของเรามันก็จะไม่ยอมให้เราทิ้งมันตลอดเวลา เวลาที่เราเข้าสมาธินี่เราเหมือนเราทิ้งร่างกายไว้ชั่วคราวแต่เดี๋ยวร่างกายมันหิวน้ำหิวอาหารมันต้องการขับถ่ายมันก็จะกลับไปกระต้นจิตให้ออกมาดูแลร่างกายพอเราออกมาดูแลร่างกายมันก็ไปคิดปรุงแต่งเดี๋ยวมันก็คิดในรูปแบบเดิมคิดหาราบยศสรรเสริญมคิดหารูปเสียงเกินรถ้าคิดนะถ้าไม่คิดก็ดี บางคนฉลาดอาจจะรู้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าอไปคิดไปในทางนั้นแล้วเป็นทุกข์อย่าไปคิดดีกว่าถ้าออกมาก็ดูแลเพียงแต่ดูแลร่างกายไปให้นะ้ำให้ข้าวให้นะ้ำแล้วก็ออกกําลังกายเปลี่ยนอทิฏฐิพอมันหายเมื่อแล้วก็กลับไปนั่งใหม่เสมาธิใหไปชีวิตของผู้ปฏิบัตินั้นก็จะเข้าไปในอยู่ในความสงบไปเรื่อยๆจนจนกว่าความอยากที่มัน มาคอยผลักดันใจนั้นมันหมดกำลังก็ไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้เพราะไม่มีไม่มีความอยากมาผลักดันแล้วนั่งเฉยๆอย่างนี้เราก็มีความสุขได้ความสุขที่เกิดที่เกิดจากการไม่มีความอยากไอ้ผู้ที่ไม่มีความอยากแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องนั่งสมาธิพุโทโธพุโทโธจะนั่งก็ได้ไม่นั่งก็ได้เพราะผลไม่แตกต่างกัน ใจสงบอาจจะสงบน้อยสงบมากทั้งนั้นเองถ้าเข้าสมาธิมันก็ปิดทวารทั้งห้าไม่รับรู้อะไรเลยแต่ถ้าไม่นั่งสมาธิรับทวารทั้งห้าก็รับได้รับรู้สิ่งต่างๆได้แต่ไม่มีความอยากกับสิ่งต่างๆที่รับรู้นี่คือเรื่องของการที่เรามาปฏิบัติธรรมกันมาปฏิบัติเพื่อเปลี่ยนที่พึ่ง ตอนนี้จิตเราถูกความหลงหลอกให้ไปเพื่อราบยศสรรเสริญให้ไปเพื่อรูปเสียงกลิ่นรสให้ไปเพื่อร่างกายเพราะเราต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือในการที่จะหารูปเสียงกลิ่นรสเพราะต้องมีตาหูจมูกนิ้งกายแล้วการที่จะมีความสุขจากราบจากรูปเสียงกลิ่นรสได้ก็ต้องมีราบยศสรรเสริญมีราบมีเงินเป็นเครื่องม้เครื่องมือ ถ้าไม่มีเงินจะไปเที่ยวก็ไม่ได้เช่วงนี้สงการหยุดห้าวันเนี่ยถ้าอยากไปเที่ยวแต่ไม่มีเงินไปเที่ยวก็ไปเที่ยวไม่ได้ถ้าอยู่บ้านก็เหงาว้าเหว่เศร้าสร้อยหงุดหงยดต้องทานใจก็เลยต้องไปทํางานกันไปหาเงินหาราบกันหาราบมันก็มันก็มียศแถมมาด้วยมีสรรเสริญแถมมาด้วยมันก็ติด เพาะได้ยศมันก็จะได้มีอํานาจหาหาราบได้มากขึ้นได้สรรเสริญก็เหมือนกันเพราะมันเป็นเครื่องสนับสนุนการหาหาราภให้มีมากขึ้นง่ายขึ้นถ้าได้รางวีรางวัล น, นี้คนเขาก็จะเห็นว่าเรามีคุณค่าเขาก็จะจ้างเราอะไรมาทําธุรกิจร่วมกับเราหรือถ้าเราขายสินค้าเขาก็จะมาซื้อสินค้าของเรา ก็มีคนกล่าวชมว่าสินค้านี้ดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราก็เลยติดกับราบยศสารเสรินก็ที่เราจะได้เอาเงินที่เราได้มีมาซื้อรูปเสียงกลิ่นรสในรูปแบบต่างๆสิ่งต่างๆที่เราซื้อนี่มันรูปเสียงกลิ่นรสทั้งนั้นน่ยซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้อเพจซื้ อ, อซื้อทองซื้อรถยนต์ซื้อเครื่องบิน ซื้อการท่องเที่ยวซื้ออะไรต่างๆนั้นมันเป็นการซื้อรูปเสียงกลิ่นรอสทั้งเวลาซื้อแล้วก็มีความสุขกันแต่เวลามันไม่มีเงินซื้อมันก็ทุกข์กันหรือซื้อมามากๆแล้วบางทีมันก็เบื่อมันมันก็เปลี่ยนหาซื้อไปเรื่อยๆซื้อจนกว่าไม่รู้จะซื้ออะไรดังนั้นก็ทุกข์ขึ้นมาอีกไม่รู้จะซื้ออะไร มีเงินซื้อแต่มันุษย์อยากซื้ออะไรซื้อหมดทุกอย่างความสุขที่ได้จากการซื้อมันก็หมดไปอีกนัมันมันไม่มีวันสิ้นมันมอนเป็นความสุขที่ที่ไม่ถาวรที่ไม่ให้ความอิ่มความพอเหมือนกับความสุขที่เราได้รับจากการที่เรามาเจริญสติมาควบคุมความคิด มานั่งหลับตาทำใจให้รวมเป็นหนึ่งตกลุมตุกบอ่อเข้าไปพอมันตกลุมตกบอ่อแมันจะรวมเป็นหนึ่งแล้วจะนิ่งจะสงบจะเป็นอุเบกขาไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงสบายอันนี้แหละเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่เราจะได้รับจากลาภยศสรรเสริญและเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาเพราะถ้าเรา สร้างความสุขแบบไม้ได้เราสามารถรักษามันได้เราจะรู้จักวิธีรักษารู้จักวิธีให้มันมีอยู่กับเราไปตลอดอย่างใจของพระพุทธเจ้าใจของพระสาวกนี่ท่านมีความสงบไปตลอดเพราะท่านมีสติมีปัญญาสองตัวนี้ที่เป็นเครื่องมือที่จะทำให้ใจสงบที่จะทำให้ใจไม่หิวไม่โหยไม่ต้องการอะไรต่อไป ที่เรามาปฏิบัติกันทั้งหมดนี้ก็เพื่อมาสร้างสติสร้างปัญญากันแต่ก่อนที่เราจะมาสร้างสติสร้างปัญญาได้เราก็ต้องฟันฝ่าด่านต่างๆที่คอยอขวางกันการที่เราจะมาเจริญสติปัญญากันดานน่านแรกก็คือเนี่ยคนที่เราอยู่ด้วยงานที่เราทำเราก็ต้องฝ่าด่านนี้ให้ได้ เรายังทํางานเพื่อหาลาบยศสรรเสริมหารูกเสียงกิเลสลดอยู่เปล่าอันนี้ถ้าหาก็ต้องตัดมันเราต้องการเอาเวลามาเจริญสติเจริญปัญญาแท น, ข, นขั้นตอนแรกก็คือเราต้องหาเวลาให้กับการปฏิบัติถ้าไม่มีเวลามันก็ปฏิบัติไม่ได้ถ้าต้องทํางานทุกวันเราจะเอาเวลาที่ไหนไปปฏิบัติ ก็ต้องก็ต้องไม่ทํางานจะไม่ทํางานก็ต้องไม่ใช้เงินก็ต้องตัดการใช้เงินซื้อรูปเสียงเกีดน็อตต่างๆซื้อข้าวซื้อของซื้อความสุขต่างๆเลิกหมดต้องตัดไปหมดจะซื้อก็แค่อาหารที่จําเป็นต่อการรักษาร่างกายดูแลร่างกายเท่านั้นถ้าเราใช้เงินเพื่อดูแ ล, แลร่างกายมันก็จะไม่มากสมม่ิตอนนี้อาจารย์ทํางานอยู่เนี่ย อาจารย์มีเงินเก็บไว้สักล้านสองล้านเนี่ยอาจารย์ลาออกจากงานได้แล้วถ้าเลิกเที่ยวได้เลิอกอะไรได้หมดแล้วก็เอาเงินสองล้านนี่มาจ่ายค่าอาหารแล้วก็เอาเวลามาปฏิบัติธรรมถ้ายังไม่พร้อมที่จะบวชก็เอาเงินที่มีอยู่เนี่ยมาสนับสนุนอย่างสมัยที่อาตมาเริ่มปฏิบัติตอนนั้นก็ทำงานอยู่เดือนละสามพันห้าแล้วก็ตอนนั้นก็เก็บได้ประมาณ มีเงินเก็บอยู่หกพันเราก็คานวณดูว่ากินค่าวันละสักกี่ตังก็วันสมัยนั้นวันละห้าบาทก็อยู่ได้ถ้ากินมื้อเดียวเราก็ห้าบาทเดือนนึงแค่ร้อยห้าสิบปีหนึ่งมันก็เท่าไรไม่ถึงสามพันเพราะมีหกพันเราอยู่ได้นะแล้วก็เลยเลาออกจากงานเลยเพราะเราอยากจะมีเวลามาปฏิบัติ ตอนนั้นยังไม่ได้คิดบวชเพราะไม่รู้การบวชมันเป็นยังไงยังไม่ได้ยังไม่ได้ศึกษารายละเอียดตอนนั้นรู้ว่าอยากจะปฏิบัติอยากจะมีเวลานั่งสมาธิมีเวลาอ่านหนังสือธรรมะเท่า น, นั้นต้องการเท่า น, นั้นแล้วคำนวณดูรายายจ่ายที่จะต้องเสียบ้านพอดีโชคดีบ้านก็ไม่ต้องเช่าก็ไม่มีอะไระบ้านก็อยู่คนเดียวเป็นห้องแถวพ่อแม่เขาไม่อยู่เขาปล่อยให้เราอยู่คนเดียว ไม่อีกบ้านเราก็สบายอยู่บ้านคนเดียวปฏิบัติธรรมในบ้านนั้นมีเงินสามหกพันเม่ตอนนั้นอ่ะกินอาหารวันละมือ้อมื้อละห้าบา ท, ทเดียวชามสองบาทข้าวมันไก่ข้าวผัดข้าวหมูแดงสามบาทสองชามพอแล้วอยู่ได้แล้วตองนั้นก็ดื่มน้ำเปล่าไปไม่ต้องไม่ต้องเสียค่าอะไรง เสียค่าไฟนิดหน่อยไฟก็ไม่ได้ใช้ดองเคยก็ไม่ได้เปิดโดยใหญ่จะนั่งสมาธิน้ำก็อ า, าบน้ำมันละหน่อยก็ไม่ได้ใช้อะไรมากมายารน้ำาฝ้ไฟก็ไม่ค่อยมีถ้าเราลองเอาปฏิบัติทมจริงๆแล้วไม่ไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิงกายเรารายจ่ายแทบจะไม่ค่อยมีเอย่างสมัยนี้อาจจะมากหน่อย เดี๋ยวนี้กว๋วยเตี๋ยวชามเท่าไหร่ส0มสิบอาหารจานละสี่สิบเอาก็เป็นวันละเจ็ดสิบไปวันละร้อยก็อยู่ได้นะถ้ามีถ้าต้องใช้ค่าสำหรับค่าอาหารนะวันละร้อยเดือนค่าสามสามพันเนี่ยนะปีก็แค่สามหมื่นกว่ามีสองล้านเนี่ยใช้ไปได้จนมันตายเนะี่ยถ้าปฏิบัติทําอย่างเดียวเสื้อผ้าก็มีอยู่แล้วของเก่าก็ใช้ได้บ้านก็มีอยู่แล้ว อะไรทํานองนี้มันก็เลยทําให้มีเวลาได้ปฏิบัติเนีอย่างขั้นต้นเนี่ยเราจะต้องหาเวลามาปฏิบัติถ้าเรายัางเสียเวลากับการหาเงินเพื่อมาซื้อความสุขต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่ตัดมันมันก็ไม่มีวันหยุดเพราะมันเหมืนอนยาเสพติดความสุขแบบนี้มันจะต้องเสกไปเรื่อยๆใครดืม่มเครื่องดื่มของโปดก็จะดื่มมันไปเรื่อยๆใครกิน ขนมของอะไรที่มันเราโปรดมันก็ต้องกินไปเรื่อยๆเคยดูเคยฟังอะไรมันก็จะเส่ไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ตัดมันมันก็มันก็ต้องมันไม่มีมันไม่มีวันหยุดอ่ะต้องตัดต้องหยุดมันต้องห้ามจิตใจเพื่อเราจะได้อ่ไม่ต้องมาเป็นทาสของมันทาที่จะต้องไปทำงานไปหาเงินมารับใช้มันอันนี้ถ้าเราหยุด การใช้เงินทองซื้อซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาได้เราก็จะไม่ต้องหาเงินมากเราก็จะสามารถมีเวลาปฏิบัติเจริญสติกับปัญญาแล้วสิ่งที่ต้องเจริญมีสองอย่างสติกับปัญญาแต่ก็ต้องมีความเพียรความพยายามเป็นตัวผลักดันถ้าขี้เกียจก็ มีเวลาแต่ที่เกียรติทำมันก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนั่งอยู่เฉยๆเดี๋ยวก็เครียดถ้านั่งอยู่เฉยไม่มีอะไรทําเดี๋ยวความอยากมันก็โผล่ขึ้นมามเวลาปฏิบัตินี้มันต้องควบคุมความคิดตลอดเวลาถ้าปล่อยให้มันไปคิดตามความอยากขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วโอ้โหเหมือนกับเอาหอกมาทิ่มแทงหัวใจทันทีฉะนั้นต้องคอยกําจัดความคิดเหล่านั้นต้องมีสติคอยคอยหยุดมัน ฝึกสติไปพุทโธไปเล้าดูการกระทาต่างๆของร่างกายไปแล้วมันจะไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆพอมันจะคิดก็นั่งสมาธิไปเลยนั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกไปแล้วพอใจสงบมันก็หยุดคิดไปต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกครั้งที่มันจะคิดก็ต้องทำให้มันจำทาใจให้มันสงบ ตัวครั้งที่มันคิดไปหาทาตามความอยากต่างๆก็ต้อ ง, ง, ง, งเข้าสมาธิให้ได้เข้าสมาธิได้แล้วสบายมีความสุขถามว่าทำไมไม่เข้าบ่อยๆก็เข้าได้ก็ดีแต่กิเลสมไม่ยอมให้เข้าทั้งทั้งที่รู้ว่ามันดีแต่มันไม่ใช่อยู่ดีอยากจะนั่งได้ทั้งวันมันไม่มันนั่งไม่ได้นั่งได้ ห, หนึ่งสักชั่วโมงออกมามันก็มันก็ไม่อยากจะนั่งละมันก็อยาก จะท ำ, ทำนู่นทํานี่กิ๊กก๊กไปตามเรื่องตามราวก็ไปทําอย่างอืงอ่นเดินแทนเดินจงกรมแทนอ่านหนังสือธรรมะแทนไปแล้วเดี๋ยวพอใจเริ่มอยากขึ้นมาแล้วก็ต้องไปนั่งแล้วบังคับมันให้นั่งโดยธรรมชาติแล้วใจของเรานี้ตอนเริ่มต้นใหม่ๆนี้มันจะไม่ชอบนั่งมันจะไม่อยากนั่งเราต้องฝืนต้องบังคับมันอยูเอ่เรื่อยๆให้มันนั่งบ่อยๆให้มันสงบบ่อยๆ แล้วต่อไปเราจะมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นที่จะสู้กับความอยากต่างๆได้มากขึ้นมากขึ้นไปตร้วในที่สุดเราก็จะสามารถกําจัดความอยากต่างๆหมดไปได้งนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องมีก็คือต้องมีเวลามีเวลามาปฏิบัติแล้วก็ต้องใช้ศีลเป็นเครื่องมือช่วยศีลก็จะเป็นตัวเหมือนกับเป็น เป็นตัวที่ปิดประตูเป็นประตูถ้าเรามีศีลก็หมือนเราปิดประตูไม่ให้จิตออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสนะอันนี้ก็คือศีลแปดศีล8ดนี้จะปิดประตูปิดตาหูจมูกลิ้นกายไม่ให้ความอยากมันออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายจะกินอาหารตามความอยากไม่ได้ละกินได้เฉพาะเวลากินพอประมาณนะ กินหลังเที่ยงก็ไม่ไดนะ้ให้กินแค่ก่อนเที่ยงกินเพื่อด่อเลี้ยงร่างกายดูแลร่างกายหลังเที่ยงแล้วไม่ต้องกินละไม่ตายรับประกันได้ถ้าได้กินมื้อหนึ่งแล้ววันนี้ไม่ได้กินอีกไม่ตายเวลากินพ่งนี้ต่อวันละมื้อก็พอวันละครั้งเดียวแล้วก็ปิดตาที่จะไปดู ทีวีไปดูภาพยนตร์ไปดูละครไปฟังเพลงไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอันนี้ก็ศินแปร์มันก็จะเป็นตัวช่วยปิดกั้นไม่ให้ใจเราออกไปทางนู้นถ้าไปก็ไม่มีเวลามานั่งสมาธิไม่มีเวลามาเจริญสติไม่มีเวลามาฟังเทศฟังธรรมเพื่อจะได้เข้าใจว่าการทําตามความอยากนี้มันเป็นทางสู่ความทุกข์ อันนี้นี่คือสิ่งที่เราจะต้องมีก่อนที่เราจะเข้าไปถึงถึงการสร้างสติสร้างปัญญาได้หนึ่งต้องมีเวลาสองต้องมีประตูหน้าต่างต้องปิดประตูหน้าต่างปิดทางออกของกิเลสทวารทั้ง5้าตาหูจมูกลิ้นกายให้สัมรวมด้วยการถือศีลแปดศีลของนักบวชนี่เป็นศีลสัมรวมก็เรียกสัมรวมจัมรวมตาหูจมูกบิ้นกาย ศ้ศศสิล้นย0่สิบเ2็ น, 10, น, 7, นี่เหมือนกันเป็นตัวสำรวมตัวควบคุมไม่ให้ใจไปท ำ, ทำกิจกรรมที่ไม่เกิดประโยชน์เสียเวลาเปล่าๆเอาเวลามาเดินจงกรมนั่งสมาธิจเจริญสติจเจริญปัญญาดีกว่านี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องเนื่งต้องต้องไปอยู่ที่สงบต้องมีเวลาไป เช่นวันนี้ช่วงนี้เขามีวันหยุดท้ห้าวันเนี้ยเราก็มีทางเลือกสองทางจะไปทางความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จองตั๋วกันไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศกันถ้าจะไปก่อนจะไปได้ก็ต้องไปทํางานกันก่อนหาเงินเตรียมเงินก้อนไว้พอถึงวันนี้ก็ไปกันแต่ถ้าเราได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วเข้าใจว่า การไปหาความสุขแบบนั้นมันเป็นเป็นหายาเสพติดมาเสพเศกหมดแล้วเดี๋ยวมันก็อยากจะเสพอีกก็ต้องเสพอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าไม่เสพไม่มีกําลังที่จะซื้อยามาเสพก็จะทุกข์อีกเราลองมาทำบางทางที่พูะเจ้าสอนให้ทำอยู่มาเลิกเสพกันมาหาความสงบกันเราก็จะมาจองที่พักที่วัดกันมาอยู่วัดห้าวันแล้วก็มาถึงสิ้นแปด แล้วก็มาฟังเทศฟังธรรมแล้วก็มาเดินจงกรมนั่งสมาธิถ้าไปอยู่ที่สำนักที่เขาให้ปฏิบัติจริงๆเขาจะไม่ให้คุกคีกันไม่ให้สนทนากันไม่ให้สังคมกันมาทากิจร่วมกันได้แต่ไม่ให้มาคุยกันเวลามาทากิจก็ทาไปเช่นมาฟังเทศฟังธรรมก็นั่งฟังไปเสร็จแล้วก็แยกกันกลับไปที่พักของตนไปปฏิบัติกัน อันนี้ต้องไม่คลุกคลีกันต้องมีเปลี่ยวเวอยู่คนเดียวมันจะได้เจริสติได้ง่ายไม่มีอะไรมาดึงใจให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเจอกันสองคนนั้นเดี๋ยวเริ่มคุยกันมันก็จิต ก, ก็ค้งสร้างไปแทนที่จะควบคุมความคิดก็ปล่อยมันพังผลิตความคิดขึ้นมาใหญ่แล้วคิดไปคิดมาเดี๋ยวก็หิวน้ําหิวกาแฟขึ้นมาเดี๋ยวก็ชวนกันมานั่งดื่มกาแฟนั่งกิน ของที่กินได้เขาเรียกของน้ำปัดกินยากินกินมะขามป้องกินอะไรไปกินเนยเอยกวนมันก็จะไม่มีเวลาอี่องนี้สำนักที่คาปฏิบัติจริงๆจะมีครูอาจารย์จะคอยคุมจะคอยแยกคู่คอยแยกคู่สนทนากัน ไม่ให้ไม่ให้พบปะกันในระยะเวลาที่ไม่จําเป็นจะต้องมาพบกันพบกันก็ไม่ให้คุยกันพบกันก็เช่นมาช่วยกันปัดกวาทําทความสะอาดก็ทําไปแต่ไม่ให้คุยกันมาฟังเทศฟังธรรมก็ไม่ให้คุยกันมารับประทานอาหารก็ไม่ให้คุยกันให้เรามีสติคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดเพราะถ้าหยุดได้แล้วมันมีความสุขน มันจะได้บรรลุปเป้าหมายที่มาปฏิบัติกันก็เพื่อมาหยุดความคิดนี้เองให้ใจมีความสุขจากการปฏิบัติแล้วมันจะได้ปฏิบัติต่ตอไปได้อย่างง่ายดาย <Bright. S 1> พอเราได้ครั้งแรกแล้วมันก็จะเข้าใจวิธีแล้วจะรู้เหตุผลว่าทำไมต้องปฏิบัติทำไมาต้องทำใจให้สงบแล้วพอมันได้ความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วมันก็จะติดใจ มันก็จะเบื่อความสุขที่เคยได้มาจากการที่ต้องไปหาเงินหาทองแล้วก็ต้องไปซื้อสิ่งต่างๆมาได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปหมดไปก็ต้องไปซื้อใหม่ของยังอาจจะไม่หมดแต่ความสุขที่ได้จากของที่ซื้อมาหมดไปแล้วของกลายเป็นของเก่าไปแล้วซื้อเสื้อวันนี้วันวันที่ซื้อมาโอ้ยมีความสุขจากเสื้อตัวนี้ใส่ไปสักสองสามครั้งก็เบื่อแล้ว ความสุขได้จากเสื้อตอนนี้ก็หายไปแล้วพอเห็นเสื้อตัวใหม่ในร้านก็อยากได้อีกแล้วมันก็จะพาเราไปซื้ออยู่เรื่อยๆเมื่อซื้อก็ต้องหาเงินมาอยู่เรื่อยๆก็ต้องทํางานไปเรื่อยๆทําไปจนมันตายซื้อไปจนมันตายมันจะไม่มีเวลามาจเจริญสติมาจเจริญปัญญาทังนั้นถ้าอยากจะมาทางนี้เราต้องตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นออกไปให้หมดนใช้เหตุใช้ผลจะซื้ออะไร แตซื้อเสื้อผ้านูของเก่าที่มีอยู่ไม่พอใช่หรือยังไงถ้าของขาดแคลนจําเป็นก็ซื้อได้แต่ซื้อเท่าที่จําเป็นจริงเสื้อผ้าสองสามชุดก็พอแล้วชุดหนึ่งไว้ใส่ชุดหนึ่งไว้ซักชุดหนึ่งไว้สํารองเผื่อมันซักยังไม่แหง้งแค่นี้ก็พอแล้วมีเสื้อผ้าแค่นี้สามชุดชุดขาวนี่หรือชุดเหลืองนี่สบาย สาได้ทุกวันไม่มีใครเพราว่าเชยนี่ก็คือเรื่องขั้นตอนที่เราจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคก่อนก่อนที่เราจะมาขึ้นเวทีของการปฏิบัติได้ก่อนที่เราจะมาเดินโจกรมนั่งสมาธิได้ตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยนี่คือเป้าหมายนะของการปฏิบัติคือมาอยู่ในที่ที่เราสามารถเจริญสติได้ตั้งแต่ตื่นจนหลับจเจริญสติ สลับกับเจริญปัญญาไปจนตื่นจนหลับไม่ทำอะไรอย่างอื่นทำแค่นี้ทางจิตใจทางร่างกายก็มีเดินกับยืนกับนั่งกับนอนหรือทำงานเท่าที่จำเป็นจะต้องทาทำความสะอาดที่อยู่อาศัยของเราซักเสื้อผ้าของเราอาบน้ำอาบท้าดูแลร่างกายไปเท่า น, นั้นเองแต่งานหลักก็คือควบคุมใจด้วยสติให้มันสงบให้ได้ แล้วพอสงบแล้วขั้นต่อไปก็สอนใจไม่ให้ไปหลง ก, กับการทำตามความอยากต่างๆพอเราเข้าใจเหตุผลว่าการทำความอยากนี้มันเป็นการเป็นการทาลายเราไม่ใช่เป็นการอากจะเสียใจทุกใจอยู่ได้มาแล้วเสียไปก็เสียใจก็ไม่ทาดีกว่าอยู่กับความสงบดีกว่าเลิกใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ เราก็ต้องปล่อยร่างกายเพราะร่างกายก็ยังทำให้เราทุกข์อยู่เพราะเรายังอยากให้ร่างกายนี้มันอยู่ไปนานๆ<ม>เพื่อที่เราจะได้ใช้มันไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย<ม>แต่ร่างกายเราก็รู้ว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย<ม>ถ้าเราไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะทุกข์ขึ้นมาอีก<ม>อันนี้ก็ต้องมาปล่อยความอยากที่ร่างกายด้วย ปล่อยความอยากจากของภายนอกแล้วจากราบยศเสริญจากรูปเสียงกลิ่นลดแล้วก็ต้องมาปล่อยความอยากที่ยังติดอยู่กับร่างกายเพราะเรายังหาความสุขจากร่างกายอยู่ใช้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอยู่ถ้าเรายังใช้ร่างกายหาความสุขอยู่เวลามันจะแก่เจ็บตายเราก็จะทุกข์ขึ้นมาเพราะเราจะอยากให้มันไม่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเวลาเจ็บก็อยากจะให้มันหาย เวลาจะตายก็อยากจะให้มันไม่ตายมันก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาเราก็ต้องมาหยุดความอยากอันนี้เหมือนกันความอยากทุกชนิดความอยากความนี้เราเรียกว่าภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาความอยากอยู่เรียกว่าภาวะตัณหาความอยากไม่ตายเรียกว่าวิภาวะตัณหาความอยากให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ภาวะตัณหา ควาอยากให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็วิภาวะตัณหาหรือป่วยแล้วอยากให้หายก็วิภาวะตัณหามันก็จะทําทให้ใจเราทุกข์ขึ้นมา ท, าทันทีนี่คือด่านแรกของการสอนใจด่านแรกก็คือให้เลิกหาของภายนอกก่อนรูปเสียงกลิ่นรสราบยศสารเสริญตัดความอยากวันนี้ก่อนที่เรียกว่ากามตัณหาไป แล้วก็มาตัดภาวะตัณหาวรภาวะตัณหาที่ร่างกายนี้แล้วก็จากร่างกายไปแล้วมันก็ยังไปเกาะติดอยู่กับความสุขในจิตอีกความสุขในจิตนั้นก็ไม่เที่ยงอีกเหมือนกันความสงบที่เราได้จากสมาธิได้ฉานนี้มันก็ไม่เที่ยงก็ต้องไปตัดความอยากในความสุขในจิตเองมันถึงจะหมดความอยากมันถึงจะหมด วความอยากหมดแล้วเพราะภาวะตันหาวิภาวะตันหาหมดแล้วทีนี้ก็จะจิตก็จะว่างจะสงบไปตลอดเวลาเราก็ไม่ต้องทำอะไรต่อไป<ม>จิตมันจะสุขของมันอยู่ของมันตลอดอย่างนั้นไปโดยที่ไม่มีอะไรมาทำลายความสุขอย่างความสุขที่เราได้จากสมาธินี้ยังมีความอยากมาทำลายอยู่ยเวลาออกจากสมาธิมา พออยากกินกาแฟความอยากที่ได้จากนั่งสมาธิก็หายไปละต้องไปกินกาแฟ <Yeah. S 1> ถ้าไปยิ่งกินมันก็ยิ่งยิ่งทุกข์ใหญ่เพราะมันจะเข้าสมาธิยากขึ้นว่ะเด็ก <Yeah. S 1> พอจะเข้าสมาธิทีไรนึกถึงกาแฟขึ้นมาก็เข้าไม่ได้นั่งได้สักพักเอ้ยไปไ ป, ไปชงกาแฟกินดีกว่าเังนั้นก็ต้องตัดมันตัดความอยากทุกรูปแบบตัดรูปเสียงกลิ่นลด ตัดความอยากเป็นอยากไม่ตายอะไรอย่างนี้แล้วก็ไปตัดความอยากที่จะหาความสุขจากจิตที่สงบความอยากที่จิตที่สงบมันก็ยังไม่เทียทยเท่ยงมันยังเป็นมันยังเป็นอนิจจังทุกขังแล้นะตายอยู่อัน<ม>นั้นเป็นที่สุดท้ายความสุขสุดแหล่งสุดท้ายของจิตของเราของใจหลังแรกก็ คือภายนอกราบยศสรรเสริญรูปเสียงก ล, ลิ่นรสแหลงที่สองก็คือร่างกายหลงที่สามก็คือจิตนถึงใช้เจริญกายเวทนาจิตธรรมกายกับเวทนาก็คือร่างกายเวทนาก็อยู่ที่ร่างกายกายกับเวทนาอยู่ที่ขันก็เลยเวทนาอยู่ที่นามขันก็อยู่ที่จิต แล้วก็มีความสุขความสงบที่อยู่ในจิตอีกครั้นอีกครั้นหนึ่งมีคือความสุขที่ขันก็มีกายก็เวทนาขันห้าแล้วก็ความสุขที่มีอยู่ในจิตยังเป็นยังเป็นทุกข์อยู่เพราะมันยังเป็นตายรักอยูอ่ต้องไม่พึ่งความสุขเหล่านี้เลยความสุขทางร่างกายก็ไม่พึ่งความสุขทางเอไม่พึ่ง ไม่ว่าภาวะนี้ผ่านนี้ก็คือไม่พึ่งอะไรเลยโดนเที่เหนือไตราักระตอ่าไม่ไม่ไม่ได้ไปเกาะสิ่งที่เป็นไตรักเนี่ยอะไรที่เป็นไตรักนี่ใจมีปัญญาจะไม่ไปเกาะไม่ไปไปยึดไปติดอยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่เป็นไตนักก็คือความว่างนิ่บาลังบาลังสุญญ์ยังความไม่มีอะไรเนยพอมีอะไรแล้วมันต้องไม่เที่ยงทันที มีร่างกายมันก็ไม่มีเที่ยงมีเวทนามันก็ไม่เที่ยงมีความสุขใจมันก็ไม่เที่ยงขันขันก็จบลงก็จบคือมันอยู่ของมันแต่เรามันมันอยู่ของมันเพียงแต่เราไม่ไปยึดไปติดอย่างเงี้ยเรารู้ว่ามันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เป็นสุขมีขันก็เอาขันมาใช้ทํางานให้เป็นประโยชน์พระพุทธเจ้าก็เอาขันมาเผยแผ่ธรรมะ แต่ท่านพร้อมที่จะปล่อยขันได้ตลอดเวลาและไม่เคยอาศัยขันเป็นเครื่องมือหาความสุขเหมือนพวกเราพวกเรายังอาศาัยขันเป็นหาความสุขอยู่เดี๋ยวต้องไปดิมกาแฟเดี๋ยวต้องไปกินขนมเนี่ยก็อาศัยขันละไปดูไปฟังอะไรก็อาศัยขันละไปเที่ยวก็อาศัยขันละท่านพระพุทธเจา้าผ้าหนานั้นไม่ไปเที่ยวถ้าไม่ไปหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้ ท่านเอาขันนี่มานั่งธรรมะมานั่งสอนธรรมะให้พวกเราฟังถ้าถามเทวดาก็ไม่ต้องใช้ก็ใช้ใช้นาำมขันติดต่อกับเทวดาทางน้ำมังขันเท่าสมาธิไปแล้วก็แสดงทําให้กับเทวดาท่านอาจารย์นะเวลาอ่านหนังสือเหมือนพวกพระพระที่ท่านปฏิบัติแล้วทำไมท่านเล่าวะ มันจิตท่านเวลาท่านจะไปถึงสภาวะหนึ่งมันเหมือนจิตมันระเบิดก็มันเป็นความจริงของท่านอย่างนั้นอ่ะระเบิดอ่มันระเบิดเหมือนกับระเบิดโตมเลยเนี่ยเหมืนเราอยู่ไปเจอลูกระเบิดโตมเลยแต่มันระเบิดทางใจที่ไม่สามารถทําลายใจได้พอระเบิดนั้นหายไปใจก็สงบสบายเย็นแล้วมันต้องระเบิดก่อน ก็ลองทําดูสิคือผมก็พยายามอั น, นี อ, อ น, นี้อ้ น, นี้อย่าไปคาดอย่าไปสนใจฟังว่าหูไว้หูแต่ละคนอาจจะมีมีมีผลไม่เหมือนกันบางคนอาจจะไม่ระเบิดก็ได้อันนี้แล้วแต่แต่ละคนไม่แน่นอนคือเวลาปฏิบัติขนาดนี้เรารู้สึกว่ามันเหมือนน้ำ น้ำดีไล่น้ำเสียใน่นหใจเราแต่มันค่อยๆไล่ตั้งแ ล, ล่ก่านนี้มันจะมีน้ำที่เสียเยอะออแต่พอเริ่มปฏิบัติตาม ท, ที่ท่านสอนเช่นนั่งสมาธิบ้างถึงมันจะไม่ถึงขั้นอะไรแต่ก็ต้องทำํำเ้วก็พยายามคิดเพื่อจะละให้รับที่ท่านสอนนะฮะก็คือมันก็ไม่ได้ละหมดแต่มันก็ต้องค่อยๆแต่ผลมันก็จะเห็นว่าใจเราจะปราบความทุกข์ได้มากขึ้น ช่มันไม่ได้ตัดทันทีเลยมันไม่ใช่เช่น<ช>มันต้องใช้เวลาบ้านมันก็จะเริ่มเห็นจริง อ, อย่างที่ท่านสอนพมกนี้เอามาปฏิบัติแต่ต้องรีบหน่อยนะเวลามันน้อยลงไปทุกวันนะจะไม่ค่อยๆไม่ได้นะเดี๋ยวจะเหมือนธนาคารเขาธนาคารเขาเปิดอนดุญาตให้เราไปหยิบเนงะินในธนาคารเราจะค่อยๆหยิบวนะ่า <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวสี่โมงเขาก็จะปิดแล้วนะ <laughs> ถ้าเขาเปิดให้ไปหยิบเงินเองได้นี่นะ ไม่ค่อยแล้วล่ะเนี่ยธรรมะนิ่านก็นเหมือนธนาคารรู้เปล่าจะไปค่อยๆทำไมต้องรีบโกยเอาสิพูะอาจาบอกเจ็ดวันก็ได้เนี่ยถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนเจ็ดปีย่งตอนนับดูเนี่ยถ้าถ้าตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วจะเหลือสักกี่ปียังมาค่อยๆอยู่เดี๋ยวมันก็ไม่ทันการนะ <5. S 1> ฉันต้องรีบดีกว่ารีบ พยายามหาเอาเวลามาโกยมันให้มากเลยสุดอย่า เ, อาเวลาไปทำอย่างอื่นเลยทำมามากพอแล้วมันได้อะไรบ้างได้แล้วก็หายไปหมดความสุขที่ได้จากการไปหาเงินหาทองใช้เงินใช้ทองมันก็หายไปหมดก็กลับมาหิวมาอยากเหมือนเดิมมาทุกข์เหมือนเดิมเอาเวลามาหาความสงบนี่ดีกว่าเอาเวลามาหยุดความอยากดีกว่า ตอนต้นเราต้องอาศัยความอยากชั่วคราวไปก่อนให้ความสงบชั่วคราวไปก่อนค ว, ความสงบที่ไม่เที่ยงไปก่อนเพื่อที่จะละสิ่งอื่นไปแล้วพอเราละสิ่งอื่นได้เราก็มาละความสงบอีกทีนึ่งความสงบที่ไม่เที่ยงนี้ Mina. อีกทีเพราะเรายังติดอยู่กับความสงบที่ไม่เที่ยงเรายังอยากหาความสุขจากความสงบที่ไม่เที่ยงอยีกเวลามันสงบเราก็มีความสุขเวลามันไม่สงบเราก็ไม่สุขแล้ว แต่พอเราตัดความอยากตัวนี้ได้รับหยดมันก็จะไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่มันก็จะไม่มันก็จะไม่ทุกข์มันก็จะสุขไปตลอดแทงสุขแบบมันเขาเรียกว่าสุขโดยที่ไม่มีความอยากอันนี้ต้องปฏิบัติไปมันถึงจะเข้าใจพูดไปแล้วเดียวมันจะมันควายเขวได้ตอนต้นทำให้นั่งสมาธิให้ความสให้มีความสงบ แล้วทำไมต่อไปทำไมต้องไม่ไม่เอาความสงบนี้ mm hmm. เพราะความสงบนี้ก็ยังเป็นเหมือนขั้นบันไดพาให้เราไปสู่ความสงบที่ดีกว่าคือนิพพานนิบานังปรมังสุ ข, ขังความสุขของพระ น, นิพพาน mm hmm. ก็ต้องอาศัยเนี่ยความสงบอยากสมาธิพาเราไปพอเราไปถึงขั้นสูงสุดแล้วเราก็ต้องปล่อยขั้นบันได มันยมจะขึ้นไปที่ชั้นที่เราต้องการจะไปถ้ายังยืนอยู่บนบันไดมันจะขึ้นไปที่ชั้นได้ปะมันก็ต้องทิ้งบันไดเดินก้าวขึ้นสู่ชั้นที่เราต้องการไปแต่เราต้องมีบันไดาพาเราขึ้นไปต้องมีศีลสมาธิปัญญาพาเราขึ้นไปท่านอาจารย์นะแสดงว่าเวลาเราปฏิบัติเราก็เราก็ดูไอ้ตรงขันเนี่ยเราไม่ต้องไปยุ่งดูที่ตัวอยา่างไม่ดูให้ตัวตัณหาดีกว่า ดูที่ตันหาแต่ตันหาก็จะไปเกี่ยวไปไอ้ขันไอ้ตัวขันเนี่ยมันอยากขันไงแต่ต้องดูที่ตัวตันหาเป็นหลักแล้วปู้ที่ชนทั่วไปครับที่มีทุกเนี่ยเขาที่เขาไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนธรรมะเลยแสดงว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันมีขันเขินอะไรเลยจริงไหมละครับไม่รู้เหรอก็เหมือนกันไปตามเรื่องว่าไปโทษสิ่งน้นสิ่งนี้อะไรก็เหมือนคนที่ไม่ศึกษากฎหมายก็จะไม่รู้กฎหมายข้อต่างๆ ใช่ไหมก็ต้องศึกษาถึงจะรู้เอ้ยทำอย่างนี้ทําไม่ได้นะทำอย่างนี้ผิดกฎหมายนะแต่ก็ต้องศึกษาถึงจะรู้คือเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นเรื่องตัณหาแล้วก็ไปไปจับขันนั่นเองความคิดเท่านี้ออุปทานในขันใจเท่านี้เนี่ยยากมากก่อนจะเข้าใจตรงนี้ก็เหนื่อยยากมากถ้าคนเข้าใจถึงตอนนี้ได้ก็หมายถึงไปเห็นแผนที่แล้วทีนี้รู้แล้วว่าต้องทำอะไร หยุดความอยากในขันอแล้วแต่ผมสงสัยอีกนิดหนึงคือเรื่องกรรมคนระแล้วกรรมเนี่ยมันไปนเกี่ยวอะไรกร ร, กรรมก็แปลว่าการกระทําแล้วมันไปนยุ่งอะไรกับกับจิตละครับมันก็จิตเป็นผู้กระทำไงเวลาเกิดปัญหามันก็ต้องกระทําแล้วไนงะอันนั้นก็เป็นกรรมอ่าไปหาขนมกินนี่ก็เป็นกรรมหนึ่งแล้วพอหาแล้วมันก็ติดต้องทําอยู่เรื่อยๆก็ต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆ พอติดรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้วกายพอไม่มีตาหูจมูกลิ้วกายก็กลับมาหาตาหูจมูกลิ้วกายอันใหม่กลับมาเกิดใหม่ก็เป็นมันเป็นตัวผลักให้การกระทั่อตัวตัณหาเป็นตัวผักให้เกิดการกระทําขึ้นมาเมื่อกระทําแล้วมันก็ติดต้องทําอยู่เรื่อยๆแล้วทำไมเวลาเขาบอกเอากรรมมาสนองก็แปล ว, ว่าเวลาเราทํากรรมเร็วเนี่ยมันก็มาบันทึกไว้ใน ก็คือทำกรรมมันก็มีสองแบบนะนำกรรมแล้วเกิดความสุขกับเกิดความทุกข์นีถ้าไปทำบ า, ม า, มา ป, าาปาามันก็เกิดความทุกข์เช่นอยากจะได้เงินก็ไปหาเงินด้วยการโป้นจี้เขาอย่างเงี้ยมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าหาเงินโดยไม่ไปป้นจี้เขามันก็ไม่มีความทุกข์ตามมาอันนี้เรียกว่ากรรมความทุกข์ที่เกิดจากการทำบาปแล้วถ้าเราหาเงิน โดยที่ไม่ได้ทำทำบาปแล้วก็ไม่มีความทุกข์ใจแล้วเราอยากจะมีความสุขใจอย่างนนี้เราก็ไปทำบุญเราก็ได้ความสุขใจขึ้นมาอ๋อก็แสดงว่ามรรคแปดเนี่ยส่วนความส่วนเช่นสัมมารกรร ม, มาตากสัมมาอาชีวะสัมมารสรมตากสัมมาอาชีวะศีล ส, สมาธิปัญญ า, า, มมาก็เข้าไป เขเข้าไปกำกับไม่เกิดกรรมชั่วเนี่ยเอ่อไม่ให้กรรมชั่วได้ทํากรรมดีไปก่อนเพื่อไปถึงจุดหนึ่งแล้วก็เลิกทําทั้งหมดเลยทั้งกรรมดีก็ไม่ทําเลิกหมดเลยเอ่ให้อยู่เฉยๆนั่งเฉยๆเพียง <c oughs> แต่เลี้ยงดูร่างกายไปวันๆหนะะึ่งครับคือทําได้แต่ไม่ให้ทำด้วยความอยากทํา อยากทำความดีมันก็ยังทำให้เราต้องกลับมาทำความดีเลยถ้าติดความอยากทำความดีมแต่ถ้านั่งสมาธิแล้วมันจะไม่ติดกับการทำความดีมันจะไม่ไปสนใจเรื่องไ่ทาบุญละคนที่นั่งสมาธิได้มีความสุขแล้วก็จะไม่ไปถ้าทำก็ทำผลเดียวให้มันจบไปเลย<ม>คกอมีเงินเหลือเท่าไหร่คิดว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนนี้ก็เอาไปทำบุญเลยเช่นไปบวชนี้ก็ทาบุญครั้งสุดท้ายเลย เวลาบวชนี้มีเงินเท่าไหร่ก็ยกให้คนอื่นไปอย่างตอนที่เราบวชเรามีเงินเหลืออยู่สามพันก็ยกให้เขาไปเลยไม่ต้องใช้เงินนะแต่ถ้าอาจารย์กรรมคางคนถ้าทำกรรมชั่วก็ไปลงนระกไปลงอะไรอย่างนี้มันก็คาว่านรกก็คือใจทุกข์ <c oughs> มีสถานที่แล้ว เวลวคนโยมไม่ฆ่าใครในด้ใจสุขด้ใจทุกข์นั่นแหะ mm hmm. นรกขึ้นมาแล้วนี่มันนรกตอนที่เป็นตอนนี้มีอายุมีชีวิตอยู่นี่มันนรกชั่วคราวพอเดี๋ยวเราไปทําเรื่องอื่นไอเรื่องนี้มันก็ถูกกบไปแต่ถ้าเกิดเวลาตายไปไ อ, ไอความร้อนของนี่มันมามันก็จะลุกเป็นไฟไปจนกว่ามันจะหมดกําลังมันก็เป็นอีกพวกูมหนึ่ง ม, มันก็เป็น เป็นจิต ท, ที่ไม่มีร่างกายที่อยู่กับกองทุกข์ที่จำเนงสร้างจากการทำบาปจนกว่ากองทุกข์นี้มันจะดับไปก็จะได้มามีร่างกายอันใหม่มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เช่นเดียวกับกองสุขถ้าทำบุญแล้วสุขเวลาไม่มีร่างกายจิตนี้ก็จะสุขไปเรื่อยๆจนกว่ากำลังของบุญมันหมดความสุขนั้นก็ดับไปเหมือนตเหมือนไฟในตะเกียง พอไฟดับปั๊บเราก็มาเกิดเป็นร่างกายได้ร่างกายมาพี่เราเรียกว่าสว่างถ้าดีสุดก็เป็นสว่าถ้าทุกข์ก็เป็นนรกหรือเป็นอบายเพราะทุกข์มันมีหลายแบบทุกข์เพราะความโกรธเกลียดเคียดแค้นนาคาตพยาบาททุกข์เพราะความกลัวทุกข์เพราะความโลภเนยมันก็จะทําให้เป็นลักษณะต่างๆทุกข์ด้วยความโลภ ก, ก็เป็นเปรตทุกข์ด้วยความกลัวเขาเรียกอสุรกาย ทุกข์ด้วยความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นนี่เรียกว่านารกเป็นคุณสมบัติของความทุกข์ที่มันต่างกันความร้อนที่ต่างกันทุกเพราะหลงก็เป็นเดรัจฉานไปปีร่างกายเป็นเดรัจฉานเป็นเดรัจฉานก็ที่เราเห็นสัตว์นกอมันก็ทุกข์เพราะมันก็ต้องหวาดระแวงมันมีภัยรอบด้าน มันจะถูกกินถูกกัดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วมันก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนด้วยการฆ่ากินตัวอื่นฆ่ากันไปฆ่ากันมา <c oughs> เป็นมนุษย์ที่จะค่อนข้างจะปลอดภัยเพราะว่ามนุษย์นี้จะมีมีมีปัญญาพอจะรู้ถึงการเคารพสิทธิของของแต่ละกันนอกจากพวกพวกเดนมนุษย์นี้มันก็จะไม่เคารพกัน ตรงนี้เขาต้องคอยกำจัดมันจับไปขังคุกขังตารางแล้วในโลกสวรรค์ที่เขาบรรยายไว้ในที่เขาบรรยายในไตรภูมิอะไรอย่างนี้เจ้าจ่ามันเขาก็เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงใช่ไามครับมันเป็นมันเป็นแดนที่มันเป็นภพภูมิที่ไม่มีความสุขก็เป็นอบาสใช่ถ้าฝันกับฝันร้ายไงเวลาโยนฝันร้ายเนี่ยโยนกำลังตกนรกเนีอย มันมีเรื่องราวน่ากลัวน่าอะไรต่างๆถ้าไปฝันดีฝันน่าไปท่องเที่ยวเมืองนั้นเมืองนี้สวยวิจิตพิสดารเห็นคนสวยงามอะไรอย่างนี้ก็ใบสวรรค์มันเป็นจินตนาการของจิตนี่แหละจิตเป็นตัวปรุงแต่งด้วยอำนาจของบุญมันก็จะปรุงแต่งในเรื่องที่ดีด้วยอำนาจของบาปมันก็จะปรุงแต่งในเรื่องที่ไม่ดีเพราะมันเหมือนกับการไปอัดวีดีโอไว้ เวลาไปป้นธนาคารไปวิ่งต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจมันก็ถ่ายวีดีโอไว้พอตอนคืนมานอนหลับมันก็ฝันร้ายขึ้นมาทันทีถ้าฝันว่าไปทําบุญไปช่วยคนนั่นช่วยคนนี้ทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ตอนคืนนอนมันก็ฝันดีเนี่ยตอนที่เราฝันเนี่ยเรากําลังไปสวรรค์ไปในโลกชั่วคราวกันรู้ปะเพราะตอนนั้นเราไม่ได้ใช้ร่างกาย เราหลับตาเนี่ยร่างกายนี่หลับตาแต่ทาไมเห็นเวลานอนหลับฝันเห็นนู่นเห็นนี่ได้ไงเห็นด้วยตาใจใจเนี่ยตาทิพย์เนียตาทิพหูทิพเสียงทิพเนี่ยเรามีสองตาสองหูรู้ป่ะตาหยาบกับตาทิพหูทิพกหูหยาบเวลาเรานอนหลับนี่เราปิดพวกตาตาหยาหูหยาบแล้วเราก็ไปเปิดตาทิพหูทิพ แล้วก็ไปรู้เรื่องที่เราทำมาถ้าเราทำดีมันก็จะมีแต่เรื่องดีๆให้เราดูถ้าไปทำไม่ดีมามันก็จะมีแต่เรื่องที่ไม่ดีมาให้เราดูฝันลายฝันแบบกลับกันเราไปทำเขาเวลาฝันฝันว่าเขากลับมาทำเรา <c oughs> <c oughs> เวลาทำทาดีกับคนอื่นเวลานอนหลับฝันเขาก็ฝันก็กลับกันฝันว่าเขามาทำดีกับเรา มันถ่ายรูปเซลฟี่เนี่ยมันมันกลับกันเวลาเราดูหน้าเราในกระจกเนี่ยมันกลับกันนะแขนขวาเป็นแขนซ้ายขาซ้าแขนซ้ายเป็นแขนอันนี้ก็คือเรื่องของจิตท่านเนี่ยเรื่องของนรกสวรรค์ก็คือดินแดนอยู่ในจิตเรานี่เองจิตจิตจจิตเราเป็นผู้ผลิตสร้างมันขึ้นมาเหมือนภาพยนตร์เนี่ยเวลาไม่มีร่างกายมันก็ฝันยาวไปเลย ถ้าเป็นเป็นเป็นบาปมันก็จะฝันไปรยากับบาปหมดกําลังหรือถ้าเป็นบุญมันก็จะฝันไปรยากับบุญหมดกําลังแล้วมันก็จะกลับมามามาเติมบุญเติมบาปใหม่มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่จนกว่าจะมาเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกเลิกฝันทีเลิกทําบุญเลิกทาบาปมานั่งสมาธิตัดความอยากต่างๆให้หมดไปแม้แต่บุญก็ไม่ให้ทําบาปก็ไม่ให้ทำถ้าทําก็ไม่ให้ท ำ, ท ำ, ทำด้วยความอยาก อย่าทำด้วยความอยากบุญทำได้แต่อย่าทำด้วยด้วยความอยากพระอุตธเจ้าทำบุญเนี่ยหลังจากตัดชโลยังทำบุญอยู่ยังสอนคนอยู่ยังให้ทะแกะ่ผู้แต่ไม่ได้อยากให้ไม่ได้วันไหนไม่ได้สอนเราจะหงุดหงิดไม่มีมันนหนแต่ถ้าเป็นคนสอนสอนด้วยความอยากนวันไหนไม่มีคนมาฟังนี่หมาหงุดหงิดเหลือเกินอยากจะสอนไม่มีคนมาฟัง ทำด้วยเหตุด้วยผลผู้ที่ไม่มีความอยากแล้วเขาจะทําด้วยเหตุด้วยผลถ้ามีเหตุผลให้ทําก็ทําถ้าไม่มีเหตุผลให้ทําไม่ให้ทําก็ไม่ทําก็เท่านั้นเองแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์ใดจากการทำหรือไม่ทำเพรเปรียบเหมือนกับตุ่มน้ําที่มันเต็มแล้วจะตักออกไปมันก็ล้นมันก็จะโผลมันก็จะไม่มันก็จะไม่พ่องตุ่มพิเศษตักไปเท่าไหร่มันก็ไม่พ่องเติมเข้าไปมันก็ไม่มันก็ไม่มันก็ไม่มีมากไปกว่านั้น าใจของผู้ที่ไม่มีความอยากมันจะเต็มเปี่ยมด้วยความอิ่มด้วยความพอไปตลอดมันจึงไม่มีความอยากจะต้องทําอะไรเพื่อให้มันมีความอิ่มความพออีกต่อไปแต่การทําตามความอยากแทนที่จะให้อิ่มให้พอกับทําให้อยากเพิ่มมากขึ้นหิวมากขึ้นการไม่ทําตามความอยากเนี่ยจะทําให้อิ่มลองดูสิคนที่ติดบุหรี่เนี่ยถ้าเลิกไม่ทําตามความอยากไม่สูบบุหรี่ต่อไปมันก็อิ่มบุหรี่มันไม่ต้องมันไม่หิวบุหรี่ ใช่ไหมคำว่าอิ่ h, มบุหรี่ก็คือไม่ต้องสูบบุหรี่ใช่ไหมถ้าไม่มีความอยากสูบบุหรี่มันก er ็มันก็อิ่มบุหรี่มันก็ไม่ต้องสูบบุหรี่ถ้ามันมียังยังมีความอยากบุหรี่มันก็ต้องสูบอยู่เรื่อยๆสูบเท่าไหร่มันก็ยังอยากอยู่เรื่อยๆยังต้องมาหยุดความอยากกันหยุดการมรรตันหาหยุดภาวะตันหาหยุดวิภาวะตันหาด้วยการใช้ศีลสมาธิปัญญาก็คือมรรคแปดเนี่ย นี่คือเป้าหมายของการปฏิบัติเอาละนะคิดว่าช่วงแรกนี้พอสมควรแก่เวลาจะอนุโมทนาให้พรก่อนที่จะให้ญาติโยมเข้ามาถวายข้าวของยะทาวเรวหาปุราปาริปเรนติสาคลรังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกัรปฏิ อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิตจตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพารโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะ พิวาทานสีลิตสนิจังวุธาปจายโนจตารธรรมวะทานติอายุวโนสุขังภาลาที่นี่ไม่มีพิธีสงน้ำนะที่นี่มีแต่มีปฏิบัติบูบชานะถ้าอยากจะบูชาก็ให้ปฏิบัติบูชา ได้ยากไม่ได้อยากถ้าถ้าตั้งแล้วไม่ได้ถ้าไม่เสียใจก็ไม่ได้อยากถ้ า, ถ า, ถาตั้งแล้วไม่ได้เสียใจก็แสดงว่าอยากตั้งได้แต่อย okay. ่าไปเสียใจถ้าไม่ได้ตั้งเป้าหมายได้เป็นเป็นเหตุเป็นผลได้อยู่แต่ถ้าเป็นความอยากแล้วพอไม่ได้น่าจะเสียใจ มา่หลังต้องขอแม่มาอย่าให้แม่ขอมาแม่จะมีความสุขมากเลยวันนี้ทางเฟซก็มาเท่าไหร่วันนี้สูงสุดามร้ยยี่สิบห้าสรอบพุ่งนี้คงจะตกแล้วนะพุ่งนี้คงจะออกต่างจังหวัดกันไปเที่ยวกันวันนี้ส่งท้าย อ, จอยาจารย์ยังอยากจะถามอะไรเพิ่มไหม ไม่ครับผมจะต้องรีบไปปฏิบัติแล้วครับตอนนี้เห็นแทนที่ชัดเจนได้ยังชัดเจนคือผมก็อ่านและพยายามรวบรวมที่ท่านผิดคือมันก็มันก็ต้องโฟกัสอยู่ในประเด็นที่เราจะสร้างของขุนจักก็ให้อยู่ในมากแปดนี่แหละใช่ไหมสัมมาทิฏฐิก่อนเลยต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเราต้องทำอะไรบ้างก็ต้องรักษาศีล เป้าหมายคืออะไรการทาก็ต้องมีเป้าหมายใช่ผลที่เราต้องการคืออะไรถ้าเรายังไม่รู้เป็นผลเป็นยังไงเราก็มไม่มีไม่มีความยินดีอะไรที่อยากจะทําไม่มีฉันทะแต่ถ้ารู้ว่าผลที่จะได้นี่โอ้โหมันวิเศษยิ่งกว่าเป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านนี่มืนก็แต่มันต้องมันต้องได้สัมผัสกับมันถึงจะถึงจะชัดเจน ถ้าลองได้นั่งสมาธิแล้วสงบสักครั้งเดียวเนี่ยโอ้ยมันเห็นชัดเลยผมเคยจําได้ว่าคือสมัยที่ยังเด็กเนี่ยเคยนั่งสมาธิลึกๆแล้วลอยๆมันอยู่ค้างเหมือนกันคือเคยไม่ใช่ว่าจะไม่ทําเลยแต่เราเริ่มแต่เรารู้สึกว่ามัน้ผลของการทํายังไม่อยู่ได้ประมาณวันสองวันทำให้จิตเราเรื่องสบายอะไรแต่ว่ามันไม่ได้ว่าอยู่นานนะ ก็เหมือนพูะพุทธเจตอนที่ท่านเป็นเด็กท่านก็คอยสงบครั้งหนึ่งแต่พอมันมีอะไรเยอะเข้าเลยรเข้ามันก็มันแค่ถูกดึงไม่หมดใช่ต้องทํางานแต่ตอนนี้ก็ถึงทํางานก็ไม่ได้หวังอะไรแล้วครับก็คือทําแต่ก็มาที่นี้คือมาอาสื่อธรรมะทาอ่านทุกวันนะครับจะฟังยูทูปท่านบ้างยูทท่านอื่นๆบ้างอะไรบ้างก็ฟังเพือเดี๋ยวนันที่สุดมันก็จะมาตรงจุดนี่ว่า ต้องทำาหละ่นั้นอ่านม า, มาก้าตอนต้นเราก็อ่านอยู่หลายเดือนเหมือนกันพอวันหนึ่งก็ถามตัวเองมันสอนให้เราทำเลยว่นหนันนงสือที่าอ่านเนี่ยถ้าไม่ทำมันก็ยังไม่เห็นไม่เห็นต้องหาเวลาทำตอนนี้ก็เอาเวลาปฏิบัติที่บ้านไปได้ก่อนก็ดีที่สุดไม่ต้องเดินทา ง, ทาง ถ้าเราอยู่คนเดียวแล้วมีที่ที่เราสามารถไม่มีให้ใครมายุ่งกับเราได้เราก็ทำของเราไปธรรมะเราก็บางทีก็ฟังเท<อ>ศบ้านความจิตสงบกม็จะทำง่ายครับใช่ถ้<อ><อ>จิตไม่สงบทำยากใช่ก็ต้องดูสมีจิตมีสติก่อนมี<อ>สติแล้วพอมันดูมันก็จะเริ่มนิ่งขึ้นก็ได<ช>้หนังสือวิธรรมะฟังธรรมเนี่ยมันเป็นวิธีสร้างสติขั้นแรกขึ้นมา ทำให้ใจเราไม่ไม่ลอยไปคิดกันเรื่องราวต่างๆคิดอยู่กับทำเพรคิดอยู่กับทำมันก็จะทําให้ไม่ฟุ้งพอไม่ฟุ้งแล้วมันก็จะนั่งได้นั่งสมาธิได้คือผมเห็นจริงตามที่ท่านอาจารย์สอนคือให้ความสุขทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวมันไม่จบไม่จขทั้งโลกอ่ยมันเหมือนไปแล้วจะอ้างแเหมือนเต็มน้ำมันรถยนต์เนี่ยไม่รู้ไม่รู้จบอะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่หยุดเนี่ยมัน มันก็ติดไปอย่างนีงง้เรื่อยๆจนวันตายแล้วมันก็ไม่ไม่ไม่เที่ยงแท้หอืครับแล้วต้องกลับมาเกิดใหม่นทางบ้านมีคำถามเข้ามาเรียังอ่าว่าไปคำถามจากผู้สอบถามคำถามจากคุณบัวใต้น้ำเวลาเจอ เวลาจเจริญ ส, ส ม, มะถะภาวนาแล้วจิตรู้ตื่นเบิกบานแล้วยิ้มยิ้มแบบผูกไม่ลงด้วยคนอื่นจะว่าเราบ้างไหมคะยืนยิ้มล่าอยู่คนเดียวก็พยายามตามรู้ตามดูมันยิ้มไปเห็นดีกีแรงเบาบางช่วงยิ้มมากบางช่วงยิ้มน้อยเข้าใจว่าคือติติดใช่หรือไม่คะใช่แต่ถ้าเรามีสติเราก็คุมมันได้ถ้ามันยิ้มแบบไม่มีเหตุไม่ผลมันก็อาจจะเป็นเป้าให้คนอื่นเขา ตำแหน่งเราได้เป็นเรื่องขึ้นมาได้เฉนั้นเราถ้าคนมีสติให้ ย, ยิ้มข้างในก็แล้วกันอย่าต้องยิ้มออกมาข้างนอกหุบ ป, ปากไว้ปากไม่ต้องยิ้มยิ้มแต่ในใจไปอย่างที่มีสมัยพระพุทธการเนี่ยมีเศรษฐีคนหนึ่งมาบวชเนี่ยแล้วพอจิตสงบมันก็เกิดความสุขขึ้นมาก็อุทานออกมาสุขหนอสุขหนอเดินไปไหนเดินไปไหนก็บ่นสุขหนอสุขหนอ นี่เป็นพระนี่เขาให้สํารวมกายวาจาใจนะพระเนรไม่เข้าใจก็เลยไปฟ้องพุทธเจ้าว่าพระรูปนี้ไม่สํารวมเดินไปไหนมีแต่สุขหนอสุขหนอสุขหนอพระเจ้าก็เลยต้องเรียกมาสอบถามว่าเป็นเพราะอะไรเธอก็เล่าว่าสมัยที่เธอเป็นเศรษฐีเธอมีความสุขแต่ไม่เคยเจอความสุขแบบนี้เลยพ อ, อมาปฏิบัติมาบรรลุธรรมจิตสงบนี่โอ้โหมันสุขจริงๆเลยอดอุทานไม่ได้ พระจาบอกอ่อไม่เป็นไรอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเพ้อเจ้อเพ้อฝันไม่ได้ฟุ้งซ่านแต่เป็นปิติแต่ก็ควรที่จะรู้จักสัมรวมไม่ให้ไปให้คนอื่นเขาลำคาญเดือดร้อนได้เะฉั้นถ้าเราจะยิ้มก็ยิ้มข้างในก็แล้วกันถ้าเราจะสุขเนาะก็สุขข้างในก็แล้วกันไม่ต้องให้มันออกมาทางปากทางกายข้างนอกก็เป็นปกติเฉยๆไม่มีใครรู้ะ เหมือนกับก็เรียกเหมือนเสือซ่อนเล็บไ ม, ไม่ไม่มีใครรู้เราเป็นเสือคิดว่าเป็นแมวแต่พอใครมามามากัดหน่อยก็โดนตะปบเลย <c oughs> ใจมันยินดีพอใจและจิตเบาสบายและยิ้มคิดว่ามีฉันทะมีความสุขที่ได้ทำได้ปฏิบัติถูกต้องไหมคะนั <c oughs> ่นแหละมันจะเกิดฉันทะความยินดี อินดีที่จะปฏิบัติมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นไปต่อไปก็คงจะได้ลาออกจากงานะถ้าถ้ า, ถ, าถ้าทําอย่างนี้ไปได้เรื่อยๆมันก็จะไม่อยากได้เงินทองไม่อยากได้อะไรต่างๆเพราะมันสู้กับความสุขแบบนี้ไม่ได้เข้าใจว่าปิติยิ้มมากยิ้มน้อยก็เป็นอันนีจังไม่เที่ยงเดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีใช่หรือเปล่าคบอ่าใช่ เป็นผลที่เกิดจากการที่เราควบคุมใจให้ไม่ให้คิดปรุงแต่งมันก็สงบมันก็เกิดปิติบางคนก็ขน ล, ลุกซาขึ้นมาบางคนก็น้ําตาไหลบางคนก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ข้อที่สองมีวิธีทําอย่างไรให้ใจเป็นกลางเป็นอุเบกขาเพราะทั้งๆ ท, ท, ที่รู้ความอยากคือต้นเหตุแห่งทุกข์แต่ใจก็ยังยินดี เมื่อสมอยากและยินร้ายเมื่อไม่สมอยากทำอย่างไรใจมันจะเป็นกลางเป็นอุเบกขาก็เนี้ให้นั่งสมาธิมากๆการนั่งสมาธิเพื่อให้ใจเข้าสู่อุเบกขาแล้วพอเรารู้จักอุเบกขาว่าเป็นยังไงขั้นต่อไปก็ใช้ปัญญารักษาอุเบกขาไว้เวลาใจจะออกจากอุเบกขาออกเพราะความรักอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็ต้องใช้ปัญญาสอนว่ากาลังไปหาความทุกข์ไม่ได้ไปหาความสุข คาซอสสิ่งที่เราลักเราอยากได้มีวันหนึ่งจะต้องเสียไปพอเสียความสุขได้มาก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปพอเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์เราก็จะหยุดความลักความอยากสิ่งนั้นได้เราก็จะเป็นกลางต่อไปได้แต่ขั้นต้นต้องมีใจต้องหาต้องทำใจให้เป็นกลางก่อนใจก็เป็นเหมือนรถยะนะรถก็มีเกียร์เดินหน้าถอยหลังและเกียร์ว่างใช่ไห พวกเราถ้าคนที่ไม่ฝึกสมาธินี้จะรู้จักเกียร์เดินหน้ากับถอยหลังอย่างเดียวยังไม่รู้จักเกียร์ว่างเวลาเห็นอะไรถ้าไม่ถ้าชอบก็ใส่เกียร์เดินหน้าเลยถ้าไม่ชอบก็เข้าเกียร์ถอยหลังเลยอยากจะไม่รู้จักเกียร์ว่างแต่ถ้าเรามาฝึกนั่งสมาธินี้เดี๋ยวเราจะพบเกียร์ว่างรู้แล้วเราจะรู้จักวิธีทําใจให้ว่างให้เฉยเวลาเราเจอเหตุการณ์ที่รักก็เข้าเกียร์ว่างแทนที่จะเข้าเกียร์เดินหน้า เวลาเจอสิ่งที่เราไม่รักเราก็เข้าเกี่ยวว่างไม่ต้องถอยไม่ต้องเดินหน้าไม่ต้องถอยหลังสบายกว่าเดินหน้าแล้วเดี๋ยวได้สิ่งที่รักมาเดี๋ยวเสียไปก็เสียใจถอยหลังหนีสิ่งที่ไม่ชอบมันก็ตามมาอยู่เรื่อยๆก็เหนื่อยต้องคอยหนีอยู่เรื่อยๆเน้นถ้าเราเข้าเกี่ยวว่างได้แล้วเราจะไม่เดือดร้อนกับสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบกับสิ่งที่เราไม่ชอบใจเราจะไม่ไม่เป็นอะไรใจจะสบาย อย่าขั้นตอนต้องฝึกสมาธิให้มากๆวิธีจะมีสมาธิได้ก็ต้องมีสติอย่างต่อเนื่องฉะนั้นถึงคอยสอนอยู่เรื่อยๆว่าตั้งแต่ตื่นขึ้นมานี่ตั้งสร้างสติเลยควบคุมความคิดเลยอย่าปล่อยให้มันคิดใช้พุทโธไปใช้การดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปอยู่กับการทํางานของร่างกายไปอย่าไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วอย่าไปคิดถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงอย่าไปคิดถึงสิ่งที่อยู่กายอยู่ คนที่อยู่นู่นอยู่นี่ให้อยู่กับเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เพียงอย่างเดียวแล้วใจจะมีสติมีกำลังที่จะเข้าสู่ความสงบได้เวลานั่งเฉยๆหลับตาดูลมหายใจมันก็จะรวมเข้าไปตกหลุมตกบ่อเข้าไปแล้วจะเป็นกลางพอตกลุมตกบ่อแล้วมันจะเป็นกลางเป็นอุบเบกขามันเฉยแต่เฉยแบบมีความสุข ไม่เฉยแบบอืดอัดแบบพวกเราเห็นของอยากได้ก็เฉยแต่ในใจอึดอัดอึดอัดหรือใครด่าเราก็เฉยแต่เฉยแบบอึดอัดอึดอัดอันนั้นไม่ใช่อุเบกขาถ้าอุเบกขาจริงว่ามันเฉยแล้วสุขใครยด่าก็สุขเห็นอะไรอยากได้ก็สุขไม่ไม่เอามันก็สุขอันนั้นแหละูุเบกขาแท้คำถามจากคุณปริญญาค่ะเพื่อนผมเจอปัญหาในครอบครัว ลูกสร้างปัญหาให้ทุกใจอยู่บ่อยๆแม่คุยกันได้ไม่กี่คำก็ชวนทะเลาะกันเป็นประจำครับจะวางใจยังไงดีครับก็ต้องเข้าใจว่าเขาก็มีความคิดของเขาเราก็มีความคิดของเราซึ่งถ้ามันไม่ตรงกันเราก็อย่าเอามาชนกันดีกว่าต่างคนต่างอยู่ดีกว่าการจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งสอนให้อยู่แบบสงวนส่วนต่างประสานส่วนเหมือน สงวนส่วนต่างก็คือความคิดที่ต่างกันอย่าเอามาพูดดีกว่ามาพูดแล้วเดี๋ยวมันก็จะทะเลาะกันเอาเอาเรื่องที่ที่ที่เหมือนกันมาคุยดีของที่ชอบเหมือนกันนี่มาคุยกันดีกว่าประสานส่วนเหมือนสงวนส่วนต่างแล้วเราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพราะมันเป็นธรรมชาติของคนเราที่ต้องมีความคิดเห็นไม่ตรงกันไปทุกเรื่องหรอกแม้แต่สามีภรรยารักกันขนาดไหนมันก็ยังมีเรื่องที่ไม่ตรงกันอยู่ ดังสิ่งไหนที่ไม่ตรงกันอย่าเอามาเป็นประเด็นดีกว่าเอาเรื่องที่มันตรงกันมาเป็นประเด็นดีกว่านอกจากว่าเราอยากจ ะ, ระเราอยากจะน้อมความเห็นของที่ต่างกันให้เข้ามาก็ต้องใช้เหตุใช้ผลคุยกันแล้วถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมรับเหตุผลของอีกฝ่ายหนึ่งได้ก็อาจจะเข้ามามีความเห็นเหมือนกันได้แต่ถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องก็อย่าคุยกันดีกว่าคำถามในอินบ็อกซ์ ลาค่ะการเรียนพระอาจารย์ในบทพทชงเจดค่ะข้อหนึ่งการตรวจให้ผู้ป่วยและสอนตัวผู้ตรวจให้มีสติสมาธิปัญญาเพื่อพิจารณาวางกายแยกจากจิตให้ได้ใช่ไหมคะใช่แต่มันไม่ง่ายหรอกไปสวดข้างเตียงแล้วผู้ที่ไม่เคยศึกษาไม่เคยปฏิบัติจะมาทำใจให้สงบแยากกายแยกใจมั น, ม, นมันไม่มไม่ใช่ทำได้ ถ้าแยกได้ใจก็จะไม่ทุกกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายข้อสองค่ะการพิจารณาปิติและปัดตัที่สัมโพูดชงให้ถูกต้องควรพิจารณาอย่างไรคะปิติเหรอปิติมันเป็นผลจากการที่เราทําใจให้สงบเนียเราต้องมีสติต้องมีสติพูดชงก่อนเนี่มันเป็นมันเป็นกระบวนการที่จะทําให้เกิดการปฏิบัติเป็นขั้นไปสติ แล้วก็ทําให้เกิดสมาธิสมาธิก็เกิดปัญญาขึ้นมาเกิดปิติเกิดสมาธิก็เกิดปิติขึ้นมาแล้วกเกิดปัญญาตามมาต่อไปคําถามจากคุณนัฐการอยากให้พระอาจารย์อธิบายการแยกธาตุแยกขันธ์ค่ะคือร่างกายเราเนี่ยมันเรียกว่าขันทรูปขันธ์ ที่เรามองร่างกายนี้เราไปมองว่ามันเป็นตัวเราของเราว่าร่างกายมีแขนมีขามีหน้ามีมตาเราเห็นร่างกายแค่นี้ยแล้วก็เรียกว่าอร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราขึ้นมาดงั้นเราก็ต้องมามาศึกษาว่าร่างกายนี้มันมาอย่างไรแล้วมันไปอย่างไรมันมีที่มาที่ไปอย่างไรเราก็เห็นว่ามันมาได้เพราะการกินอาหารใช่ไหมตอนต้นก็อาศัยอาหารของ ของแม่ก่อนที่อยู่ในท้องแม่แม่กินอาหารเข้าไปแม่ก็แบ่งอาหารไปให้ให้ลูกในท้องอาหารนี่มาจากไหนล่ะน้ำใช่น้าก็เป็นมีส่วนผสมอาหารก็มีมีน้ำเป็นส่วนผสมข้าวมันก็มีดินเป็นส่วนผสมมีธาตุน้ำธาตุดินแล้วอากาศก็ลมหายใจที่แม่หายใจเข้าไปแล้วธาตุไปก็คือความร้อนอุณภูมิที่มีอยู่ในร่างกาย ก็เลยเป็นตัวก่อร่างสร้างร่างกายนี้ขึ้นมาใช่ไตั้งแต่หนึ่งวันเป็นเจ็ดวันเจ็ดวันเป็นเจ็ดอาทิตย์เจ็ดอาทิตย์เป็นเจ็ดเดือนเป็นเก้าเดือนพอก้าเดือนก็คลอดออกมาพอออกมาแล้วทำไงก็หายใจ ท, ทันทีใช่ต้องหายใจเองล่ะก็เอาธาตุลมเข้าไปล่ะต้องดื่มนมแล้วเอาธาตุน้ำเข้าไปในในนมก็มีธาตุดินผสมอยู่แน่ธาตุต่าง ที่อยู่ในในนมก็เรียกว่ า, าธาตุธาตุดินดันั้นร่างกายนี้ก็จเจริญเติบโ ต, ตขึ้นมาได้ก็เพราะาธาตุทั้งสีน่นี้พอเข้าไปในร่างกายแล้วก็ไปไ ป, ไปสร้างผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกขึ้นมาสร้างอวัยวะต่างๆขึ้นมาร่างกายนี้ก็คือาธาตุดินน้ำลมไฟเหมือนกับสาราหลังเนี้ยมันมาได้ยังไงพอเราไปเอาไม้มาเราไปเอาสังกะสีมา เราไปเอาขอ ง, งต่างๆที่เราจะใช้มา<ฤ>มาประกอบกันมันก็เลยกลายเป็นศาลาหลังนี้ขึ้นมาร่างกายก็เหมือนกันเราเอาอาหารเข้าไปในร่างกายเราเอาลมหายใจเข้าไปร่างกายเอาน้ำเข้าไปในร่างกายเอาความร้อนเข้าไปในร่างกายมันก็เลยทำให้เกิดมีร่างกายนี้ขึ้นมาแล้วต่อไปร่างกายนี้ก็จะหยุดทำงานพอหยุดทำงาน น้ำก็แยกออกไปไฟก็แยกออกไปลมก็แยกออกไปทิ้งไว้เหลือก็กลายเป็นดินไปกระดูกแห้งกรอบผุกลายเป็นดินไปเอาไปเผาก็กลายเป็นขี้เถ้าไปนี่คือการแยกธาตุแยกขันให้รู้ว่าขันห้านี้ที่แท้จริงก็คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแล้วตัวเราอยู่ตรงไหนมีไหมในร่างกายนี้ตัวเราผู้รู้ผู้คิดเพียงแต่ไป จับจองไปยึดไปติดว่าเป็นตัวเราของเราเหมือนพอซื้อรถมาปั๊บรถของเราทันทีใช่ไหมพอเป็นรถของเราแล้วใครมาแตะหน่อยเป็นไงใจสะเทือนไหมใครเอาค้อนมาทุบ ก, กระจกหน่อยนี่ใจเป็นไงสะเทือนขึ้นมาเลยแต่ถ้าไม่เป็นรถของเรานี่สะเทือนไหมถ้าไม่อยากจะให้ร่างให้ใจเราสะเทือนกับร่างกายก็อย่าไปหลงคิดว่ามันเป็นของเราเป็นตัวเรา มันจะเป็นอะไรก็ให้มันเป็นไปเหมือนกับร่างกายของคนอื่นเราสะเทือนไหมเวลาร่างกายคนอื่นเขาเป็นอะไรไปเนี่ยเพราะเราไม่ไปถือว่าเป็นเราใช่ไหมแต่ถ้าเป็นคนที่เรารักนี่เราก็ยังสะเทือนได้ใช่ไหมเพราะเราไปยึดว่าเป็นของเราลูกเราอย่างนี้สามีเราภรรยาเราอย่างนี้มันก็เป็นอะไรขึ้นมาใจเราสะเทือนขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเป็นคนอื่นไม่สะเทือนใช่ไหม ฉะต่อไนี้เราต้องมองทุกอย่างว่าไม่ใช่เป็นของเราไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราคนที่เรารักก็ไม่ใช่ของเราเขาเป็นของดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟเป็นเจ้าของร่างกายของขุกคนแล้วพอวันหนึ่งดินน้ำลมไฟก็จะมาเคลมร่างกายนี้ไปมาแยกธาตกันเวลาร่างกายตายเนี่ยเวล า, ย า, าแยกธาต์แหละเวลาเกิดนี่เป็นการรวมธาตใช่ไหม เวลาเริ่มเกิดปฏิสนธิขึ้นมานี้เป็นการเริ่มรวมธาตุอะขั้นต้นก็เอาธาตุของพ่อมาผสมกับธาตุของแม่แล้วต่อไปก็แม่ก็เอาธาตุมามามาสนับสนุนให้มันจเจริญติบโตขึ้นมาแต่ขั้นต้นนี้ต้องมีธาตุของพ่อกับธาตุของแม่มารวมกันก่อนเสร็จแล้วก็ถึงจะมีร่างกายอันใหม่ห อ, อังจากนั้นก็เอาธาตุของแม่มามามาหล่อเลี้ยง พอโตก็คลอดออกมาแล้วก็เติมธาตุไปเรื่อยๆทุกวันที่เราเติมธาตุอยู่ตลอดเวลาเนี่ยตอนนี้กำลังหายใจอยู่เนี่ยหายอะไรลมนี้ไม่ใช่ธาตุลมแล้วคืออะไรน้ำที่เพิ่งดื่มเมื่วนี้มันไม่ใช่ธาตุน้ำแล้วคืออะไรความร้อนที่เราได้รับจากแสงอาทิตย์เนี่ยมันก็เป็นก็เป็นความธาตุธาตุไฟธาตุดินก็ตอนกินข้าวกินข้าวข้าวมาจากไหนถ้าไม่มีดินข้าวมันจะโตขึ้นมาได้นะ ผลไม้ผักนี่ถ้าไม่มีดินมันจะขึ้นมาได้ไนะ้ยก็ก็กินกินดินอ่ะกินแต่ดินในรู ป, ร, ปรูปรูปลักษณะของข้าวของผักของผลไ ม, ม้นูปรูปรูปรูกรูปรินรูนนปรูาาปันูปน็ูปรูปไูปรูปรูปรูปรูปรูปรูปรูปรูเรูปรูปนู้อูอออปู้นะลรูปรูปรูปรูปรูปรูปรูปรูปรูปรูปรูปรูปรูนรูปรูปรูปรูปรูปรูปรูปรูปรูปรูปรูปราปราปรูปรูปรูปรูปรูปรูปรูปรูปรูปรูรูปรูปาูปรูปรูปปรปรหปรูปรูปรูปรูปรูปรูปรูปปรูปรป อาหารที่เรากินเข้าไปส่วนที่เราไม่ใช้เราก็ขับถ่ายออกมามันก็เป็นธาตุดินออกมามองดีๆตายนี้เป็นเพียงธาตุเท่านั้นเองไม่มีตัวเราของเราเป็นระบบเป็นซิสเต็มเขาเรียกไบโอลาไบโลจิคอลซิสเต็มระบบของอะไรจีว่ามีเท่านั้นเองคือเรื่องของร่างกายเพียงแต่ว่ามีใจมา มามายึดติดกับร่างกายนี้แล้วอาศัยร่างกายนี้เป็นเครื่องมือในการหาความสุขให้กับใจใจเลยต้องมายึดติดกับร่างกายอันนี้แล้วก็มาลอกมาทุกข์กับร่างกายนี้เพราะร่างกายนี้มันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ใจไม่อยากให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตายเราจึงต้องมาศึกษาธรรมชาติของใจของร่างกายจะได้ปล่อยวางมันได้ อย่างที่เราเริ่มต้นคําถามนี้เอ่อศึกษาเรื่องขันนี่รูปประขันนี่ไงกังวล้ที่ยงหรือว่ามันเกิดแก่เจ็บตายหรือว่าเป็นปัญหาตามันเป็นดินน้ําลมไฟแต่ถ้าไปอยากปั๊บมันจะทุกข์ขึ้นมาทันทีเยอันนี้กังทุกข์ขังหน้าตาทุกข์เพราะว่าอยากให้มันไม่อันนิจจังทุกข์เพราะไม่อยากให้มันไม่เป็นอยากให้มันเป็นของเราไปตลอดนี่มันเป็นไปไม่ได้ เราจึงต้องมาใช้ปัญญามาแก้วความหลงว่าต่อไปนี้เราต้องยอมรับความจริงว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายมันต้องกลับไปคืนกลับไปสู่ดินน้ำลมไฟเพราะมันเป็นดินน้ำลมไฟมันทามาจากดินน้ำลมไฟเราเป็นเพียงแต่ผู้มาใช้มันเหมือนเราไปซื้อรถยนต์รถยนต์ก็ธาตุเหมือนกันดินน้ำลมไฟเหมือนกันใช้ไปเดี๋ยวมันก็พังแต่เราเรารู้ตั้งแต่ว่ารากว่าเราซื้อมาเราก็เลยไม่หลง ว่าเป็นตัวเราของเราแต่ร่างกายนี้เราไม่รู้เลนมันเป็นตัวเราของเราตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่อยู่ในท้องตอนนั้นจิตเรามันแบบฉลึมเฉลอแบบไม่ไม่มีสติตะตังเหมือนคนเมเาเหล้าพอมาเกาะร่างกายปั๊บ ก, ก็คิดว่าเป็นตัวเราขึ้นมาทันทีตอนที่ปฏิสนธิเนี่ยก็มาเกาะติดกับร่างกายแล้วแล้วก็เลยคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราจรึงต้องใช้คนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาสอนมาแก้บอก อันนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นตัวที่เรามายึดมาติดมาใช้มันมาอาศัยมันแต่เราต้องเสียมันไปในวันหนึ่งมันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายงั้นอย่าไปยึดอย่าไปติดถึงเวลาให้มันแก่ไปให้มันเจ็บไปให้มันตายไปแล้วจะไม่ทุกข์แล้วถ้าไม่อยากจะมีร่างกายก็อย่าไปใช้มันวิธีไม่ใช้มันก็มานั่งสมาธิกันไะนั่งสมาธิเราก็ไม่ใช้ร่างกายให้ร่างกายได้พักผ่อนเต็มที่เลย นั่งทั้งวันทั้งคืนไปคนนั่งสมาธิกับคนการเป็นคนมีอายุยืนเพราะอะไรเพราะใช้ร่างกายน้อยร่างกายไม่ชุดโทมเร็วใช่หไหมเหมือนรถยนต์เนี่ยถ้าคนวิ่งใช้มากมันก็พังเร็วใช่ไหมถ้าใช้น้อยใช้วันละสิบกิโลเนี่ยกับคนที่ใช้วันลาพันกิโลเนี่ยคนที่ใช้เวลาพันกิโลนี่ห้าปีบางทีก็พังแล้แต่คนที่ใช้วันละสิบกิโลนี่ขับไปห้าสิบปีก็ยังใช้ได้อยู่เพราะมันไม่พังไม่ได้ ไม่สุดโทรมร่างกายนี้ก็เหมือนกันคนที่ฝึกสมาธินี้จะไม่ใช้ร่างกายมากไม่ต้องเดินทางไปเที่ยวไม่ต้องไปกินไปดื่มไปอะไรไปหาเงินหาทองโอ้ยนี่มันใช้ร่างกายตลอดเวลามันถึงตายกันเร็วไหมคนที่ใส่บาทนี่สามีอายุห้าสิบห้าก็ตายไปแล้วเพราะใช้ร่างกายมากเกินไปดื่มสุราเที่ยวเล่นกินอะไรอย่างงี้โรคมะเร็งก็กินขึ้นมานันที ก็ตายเร็วแต่ถ้ามานั่งสมาธิก็ไม่ต้องกินไม่ต้องดื่มไม่ต้องมีโรคมะเร็งประโยชน์ได้เยอะนะนอกจากจะได้ความสุขทางใจแล้วร่างกายยังกลายเป็นอายุยืนขึ้นมาอีกดนะูหลวงปู่หลวงตาแต่ละองคนะ์แต่เกือบร้อยทั้งนั้นเลยแล้วร้อยแบบมีคุณภาพนะไม่ได้ร้อยแบบเอามาพึกเอามาพลาดหรือหนอลงลืมอะไรเนะี่ย ท่านมีสติสัมปชัญญะรู้เรื่องตลอดเวลา เ, เพราะท่านจเจริญสติอยู่ตลอดเวลาท่านถึงไม่หลงไม่ลืมอันนี้พูดยาวเลยเรื่องแยกทาออคำถามจากคุณมาริค่ะหนูดูแลพ่ออายุ87ปีมีโรคหัวใจหนู อ, อยากให้ท่านมีสติรู้สึกตัวก่อนขึ้นลมหายใจทำอย่างไรคนเราจึงจะมีสติ รู้สึกตัวก่อนที่ล้มได้เจ้าคะต้องเป็นอริยะบุคคลหรือไม่คะอ๋อต้องฝึกสติอยู่เรื่อยๆสติมันก็เหมือนกับการทํางานเนี่ยการพิมพ์ดีดเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกพิมพดีดไปเรื่อยๆเราจะพิมพดีดได้นะแต่ถ้าเราฝึกพิมพ์ดีดไปแล้วพอพิมพ์เป็นแล้วมันก็จะพิมพ์ได้ไปตลอดสติก็เหมือนกับการพิมพ์ดีดเนี่ยถ้าเราฝึกสติไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะมีสติตลอดเวลายานันต้อง ต้องฝึกสติแต่ตอนนี้ถ้าอายุปานี้ก็คงจะสายแล้วล่ะอย่างหนึ่งก็คือเราอยากแต่เขาอาจจะไม่อยากเหมือนเราก็ได้ใช่ไหมพ่อเขาอาจจะไม่อยากแต่เราอยากเนี่ยงั้นมันเป็นคนละเรื่องกันแล้วเราไม่ควรไปอยากอยาก้วอาจจะทำให้เราทุกข์ได้เพราะอาจจะไม่ได้ดังใจอยากงั้นให้พ่ออยากดีกว่าถ้าพ่ออยากมีสติแล้วพ่อเขาก็จะฝึกสติเอง อ่ตไปคำถามจากคุณอินดี้ถ้าคนเราไม่เคยใส่บาตร ท, ทาบุญแต่เราสามารถที่จะนั่งสมาธิควบคุมตนเองได้สามารถควบคุมตนเองให้ทําความชั่วแล้วคนแบบนี้จะเดินตามรอยศาสนาเดินตามรอยพระพุทธเจ้าได้หรือไม่ครับได้ก็การนั่งสมาธิก็เป็นการเดินตามรอยอยู่แล้วถ้าเรานั่งสมาธิได้ก็หมายความว่าเราก็เรียนข้ามชั้นได้ไง เหมือนนักเรียนบางคนไม่ต้องเรียนอนุบาลไม่ต้องเรียนประถมเข้ามัธยมได้เลยเพราะเขามีความสามารถพิเศษคนที่นั่งสมาธิได้ก็ไม่ต้องไปทําบุญใส่บาตรได้อยกตัวอย่างไม่ได้คุยอาตมาตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยใส่บาตรเพราะไม่ได้เกิดมาในบ้านในครอบครัวที่เขาใส่บาตรเขาไม่มีใครสอนให้ใส่บาตรก็ไปแต่เลียงโรงเรียนเรียนหนังสืออ ก็ไปไม่ได้เข้าวัดเลยที่บ้านไม่ได้เป็นคนเข้าวัดเข้าว่าไม่ได้เป็นคนทําบุญแต่พ่อเขาเป็นคนใจบุญใครเดือดร้อนเขาก็ช่วยเหลืองแต่วก็ไม่ได้ทําบุญกับวัดก็เลยไม่เคยเข้าวัดเ ร, oh. เราก็ไม่เราทําบุญก็เหมือนกันเราก็ทําบุญแบบช่วยเหลือกันไปใครเดือดร้อนอะไรมีอะไรที่จะช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยกันไปอันนี้ก็เป็นการทําทานเหมือนกันไม่ใช่การทําทานไม่ได้อยู่ที่ว่าจะต้องใส่บาทอย่างเดียวนะการทํา แล้วพอเรามาอ่านหนังสือธรรมะแล้วเราเข้าใจว่าการนั่งสมาธินี่มีประโยชน์มากเราก็เลยนั่งเลย <Yeah. S 1> ก็เลยไม่ได้ไปทําบุญทำทานศีลก็ไม่ได้ไปสมาทานกับพระแต่เราก็รู้ว่าเราไม่ได้ทําบาปเราก็ไม่ได้ไปทําอะไรเราตรวจดูจะเปรียบเทียบดูศี 8, แลแปดเราก็เหมือนกับคนถือศีลแปดโดยที่ไม่ได้ไปขอไปสมาทานที่วัด <Yeah. S 1> เพราะเราไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปหาความสุขทางร่างกายเรามานั่งสมาธิ อันนี้ก็เหมือนกับเรียกว่าเรียนข้ามชั้นไปเลยไม่ต้องไปวัดไปใส่บาตรไม่ต้องไปวัดไปสมาทานศีลห้าศีลแปดรักษาไปเลยนั่งสมาธิไปเลยดีกว่าซิเพราะบางทีไปวัดเขาไม่มีการนั่งสมาธิกันส่วนใหญ่วัดเขาจะไม่ค่อยมีเวลามาสอนเรื่องนั่งสมาธิเพราะคนส่วนใหญ่ไปมักจะจะไปแค่ใส่บาตรแล้วก็ฟังเทศเสร็จแล้วก็กลับบ้านกันดังนั้นเราก็เลย นั่งมันที่บ้านเลยปฏิบัติที่บ้านเลยเนี่ยพอปฏิบัติได้มากขึ้นมากขึ้นมันก็อยากจะบวชขึ้นมาเองมันก็ได้มาบวชจนได้คาถามจากคุณโบสค่ะพระอาจารย์ครับผมมีปัญหากับการพูดน้อยผมอยากทราบว่าการพูดมากพูดน้อยมันดีอย่างอไรครับพูดน้อยเนี่ยดีเรื่องมันเรื่องมันจะได้น้อยพูดมากกรเด็นเรื่องมันก็มาก การพูดน้อยนี่เรียกว่าไม่มีปัญหานอกจากคนที่ต้องพูดต้องไม่พูดเนี่ยถึงจะมีปัญหาเช่นเป็นครูเป็นอาจารย์เนี่ยต้องพูดก็ต้องพูดแต่พูดด้วยเหตุด้วยผลพูดเพื่อให้ความรู้การพูดน้อยพูดมากไม่สำคัญสำคัญว่าพูดอะไรสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ให้พูดก็มีอยู่5้าข้อด้วยกันสี่ข้อด้วยกันพูดปทไม่ให้พูดสองพูดพูดเทอเจรพูดเรื่องไร้สาระเนี่ยพูดเทอเจ พูดส่อเสียดหมายถึงพูดยุยงให้คนหนึ่งเขาโกรธกันเกลียดกันแตกแยกกันเรียกว่าพูดส่อเสียดแล้วก็พูดคําหยาบเนี่ยไอ้พวกนี้อย่าพูดเลยส่วนที่พูดมากนี่พูดอย่างพูดธรรมะเนี่ยพูดวันแล้วต้องสองชั่วโมงเนี่ยพูดได้นพูดแล้วเกิดประโยชน์กับคนฟังหรือเกิดประโยชน์กับคนพูดด้วยคนพูดก็ก็ได้ความรู้จากการพูดเนียเพราะพอเราพูดมันต้องมันต้องคิดอยู่เนีย หาหาอะไรมาประกอบกับการพูดอย่างเงี้ยมันก็ได้ได้ประโยชน์เพราะมันทําให้พูดเก่งขึ้นไปเรื่อยเื่อยยิ่งพูดยิ่งพูดเก่งสมัยเริ่มพูดใหม่ในี้พูดไม่ออกไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดแต่ตอนหลังจับประเด็นได้ว่าอย่าไปเอาอะไรมาพูดพูดไปเรื่อยเรื่อแล้วเรามันจะมีเรื่องให้เราคิดพูดประกอบไปเรื่อยๆเองแล้วมันจะเป็นธรรมชาติกว่ากว่าที่เราจะคิดเตรียมตัวว่าจะพูดอะไรแล้วก็เอามายัดพูดตอนนั้นเอ พูดไปแล้วมันมีเหตุผลเลยก็หาตัวอย่างมาสนับสนุนเหตุผลนั้นไปแล้วมันฟังแล้วคนฟังก็สบายเข้าใจง่ายกว่ากว่าที่เราไปตั้งเป้าว่าวันนี้จะพูดเรื่องนี้จะเอาตัวอย่างตัวนี้มาใส่เวลามันพูดบางทีมันเรื่องมันไม่ไปทางนั้นจะทํยังไงใช่ไมไปดึงมันเข้ามามันก็เลยเสียเสียความเป็นธรรมชาติของการพูดไปยิ่งนั้นเรื่องพูดมากพูดน้อยไม่สาคัญอยู่ที่ว่าพูดอะไร มากกว่าถ้าเรื่องที่ผู้เจ้าห้ามให้พูดนี่อย่าพูดเลยดีที่สุดอย่าพูดปดอย่าพูดเพ้อเจ้ออย่าพูดส้อเศษอย่าพูดคำหยาบเรื่องที่อย่าให้พูดมากๆก็คือเรื่องธรรมะแต่ต้องมีการละเทศะบางคนฟุ้งเรื่องธรรมะเจียใครเคยจะคุยเรื่องธรรมะอย่างเดียวคนเขคนฟังก็จะฟังไม่ฟังก็ไม่สนใจอย่างนี้ก็ไม่ได้การจะพูดอะไรนี่ต้องดูว่าคนฟังก็สนใจหรือเปล่า อย่างที่นี่ถ้าญาติโยมเริ่มคุยกันเราก็ไม่หยุดพูดและวแตนี้ญาติโยมยังไม่ยังไม่คุยกันก็แสดงว่ายังอยากฟังอยู่เราก็คุยต่อพูดได้แต่ถ้าญาติโยมเริ่มคุยกันเยื่อม ห, น ห, นหันหน้าไปทางนู้นหันหน้าไปทางนี้แสดงว่าไม่อยากจะฟังแล้วเราก็หยุดพูดคําถามจากคุณอนุชยัยตอนนั่งภาวนาทุตโธอยู่ดีๆก็มีความคิดแทรกขึ้นมาเรื่องโน้ตเรื่องนี้ พร้อมกับคำบริการพุทโธพุทโธพร้อมๆกันเพราะเหตุใดควรแก้ไขอย่างไรครับอ๋อใหม่ๆความคิดเก่ามันยังมีกําลังมากอยู่มันก็จะแข่งกับความคิดใหม่ของเราคือพุทโธพุทโธเราก็อย่าไปสนใจเราให้พยายามอยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆต่อไปความคิดใหม่คือพุทโธมันก็จะมีกําลังมากขึ้นมากขึ้นแล้วความคิดเก่ามันก็จะมีกําลังน้อยลงน้อยลงแล้วเดี๋ยวต่อไปมันก็ไม่แทรกขึ้นนะแต่ใหม่ๆมันจะแข่งกัน